ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องสมาธิและสัมมาสมาธิโดยพ่อท่านโพธิลักษ์ตอนที่สองวันที่สมเมษายนพุทธศักราช2533เนื่องในงานพุทธาพิเศษสุดยอดปฏิหารของพุทธครั้งที่14นณพุทธสถานสาลีอโศกจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณนะบัดนี้วันนี้วันที่สามแล้ว งานคราวนี้ออกมาเห็นว่าแม่มันเป็นความเรียบร้อยนะเป็นความเรียบร้อยขึ้นมากเลยเข้าระบบนะเข้าระบบมันรู้งานรู้อันนั้นไอ้ น, นี่อะไรแต่ใดดีขึ้นมากแล้วนะพวกเราก็ดูเหมือนจะเป็นคนเก่าซะเยอะนะอย่างเนี้มันจะเข้าเป็นแก่นใน ในมันก็จะขัดเคี้ยวเพราะงะั้นแม้แต่อย่างนี้เราก็อย่าพึ่งตายใจนะอย่าพึ่งคิดว่านี่มันดีแล้วมันดีขึ้นแต่ดียังมีอีกนะมีดีดีกว่าจังดีดีกว่าดีมากดีที่สุด มีดีมากที่สุดอีกอโอ้โหเสริมอีกนะแล้วตักนั่นอะดีแตกมันมีดีอย่างนี้เรื่อยไปนะมันจะต้องดีคือหลายๆายอย่างเราอย่าไปประมาทว่าอนนี้จบแล้วนะเราอย่าประมาทว่านี่จบแล้วง่ายๆโยนิโสมนสิการตรวจตรา ยานปัญญาที่ละเอียดละอสุขุมประณีตแจบคายเนี่ยมันจะเกิดจริงๆมันจะค่อยๆพิจารณาค่อยๆเห็นสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นอีกมีอีกเราต้องภาคเพียนมันจะยากขึ้นมันจะต้องพยายามเข็นที่จริงมันไม่ยากขึ้นหรอกมันง่ายกว่ากาวที่จริงน่ะมันละเอียดขึ้นเนี่ยมันง่ายกว่ากาแต่ว่าคนเราน่มันมันติด มันติดสบายมันติดที่ว่าได้ดีขนาดนี้แล้วมันก็อ่ะมันก็ได้อาศัยดีแล้วแล้วมันก็ไม่อยากจะทำต่อนะถ้าไปคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ไปไม่รอดนะพวกเราก็รู้สึกว่าหมู่นี้ต่างกับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเยอะนะก็มีการปรับตัวกันได้ง่ายขึ้นแต่ก็จะต้องได้ง่ายขึ้นอีก ปรับตัวกันได้ง่ายขึ้นมันไม่ดื้อเหมือนเก่าแต่ละคนแต่ละคนไม่ดื้อเหมือนเก่าแต่ใครยังดื้อยู่รู้ตัวนะห็นมันไม่ยอมอยู่นั่นแหะไม่ปรับไม่อะไรต่อะไรมันก็มีด้วยเหตุที่เป็นหลักๆก็คืออาวิชาคือมันไม่เข้าใจมันไม่รู้มันง่มันไม่รู้ตัวมันรู้ไม่ออกนึกว่าตัวเองนีดีตัวเองนี่ถูกนี่เป็นตัวร้ายที่สุด มันหลงว่าตัวเองดีตัวเองถูกมันก็ไม่ปรับแต่อย่างนี้น่ยมันมันประเภทมันเอาวิชาแท้ๆมันโมหะมันหลงผิดมันเข้าใจว่าเอ้เราถูกเราดีเราถูกเราดีมันก็ไม่ปรับอ่ะนี่อันหนึ่งอีกอันนึงน่มันรู้ว่าเราเองไม่ดีเราเองไม่ถูกแต่มันดื้อ่มันดื้อเขาเรียกธรรมภะดื้อ รูมันไม่ดีแต่ดื้ออยู่งั้นอ่ะไอ้เงี้ยไม่รู้จะแก้ยังไงก็ตัวเองดื้อเอง อ, ะอ่ะทางโง่ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันพูดยังไงมันก็ไม่รู้อธิบายยังไงก็ไม่รู้แหมไม่รู้จะทํำยังไงชี้ยังไงมันก็ยังนอ๊ะเวัดตัวถูกอยู่นั่นแหละก็คงจะเหมือนทางโนนเขาโมา้คุณกันนะโนนเขาว่าเอ๊ะโพธิรักเนี่ยมันทําไมมันดื้อจังเลยเขาคงจะว่าเราโง่งมันดื้อนะ ทังโงทั้งดื้อเอ๊ะทำไมมันโง่นักก็มันไม่ถูกอะให้แกก็ไม่แกสักทีให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนดื้อสู้ต่อสู้อยู่นั่นนะ่ะเขาคงว่าเราเหมือนกันนะนะพ่อท่านฉลาดแต่ดื้อเฮ้ยพ่อท่านฉลาดแดื้อฉลาดแต่ดื้อฉลาดก็ยืนยันนสิไม่ใช่ดื้อไม่สอดคล้องกันหรอก ฉลาดแต่ดื้อได้เลยไอ้ น, น่นมันฉลาดจริงเลยนะเฉกตาฉลาดแบบโกงไม่ใช่จริงถ้าจริงมันต้องฉลาดมันต้องชัดเจนคมชัดว่านี่เปนดีจริงจเมื่อดีจริงจงแล้วเราก็ยืนหยัดยืนยันอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดือ้อยืนหยัดยืนยั น, นมั่นคงใ น, นว่าฉลาดจริงๆริเอาล่ะมาถึงยังไงยังไงในไอ้ตัวดื้อเนี่ยมันมีดือด้อดื้อย่างยัก ดื้อยางใหญ่ดื้อยางกลางดื้อยางเล็กดื้อยางบรรจุซองมันมีดื้อหลายขนาดเพราะงั้นก็ลองดูเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายอาตมาจะเอาโสวจัสตาการเป็นคนว่าง่ายมาให้มีลักษณะส1บอดประการเนี่ยนะ เป็นคนว่า ง, ง่ายแต่มันเราลองมองดูซิว่าถ้าเราเป็นคนว่า ง, ง่ายนี่มันจะเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเรายังไม่เป็นอย่างนี้มันยังดื้ออยู่ไม่ดื้ อ, อย่างยักษ์อาจจะดื้อบรรจุซองอยู่ก็ได้ตรวจสอบดูซิมันจะเข้าหลักเข้าร้อยว่าเป็นการว่า ง, ง่ายเราเป็นคนว่า ง, ง่ายหรือเปล่า <c oughs> ลักษณะเป็นคนว่า ง, ง่าย11ประการขึ้นหนึ่งไม่กลบเกลื่อน เมื <tr uth S 1> <tr> ่อถูกว่ากล่าวตักเตือนเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนนี่ไม่กลบเกลื่อนเนี่ยลองตรวจดูซิว่าเราเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะถูกว่ากล่าวแล้ตักเตือนแล้วเออเราก็ไม่ไม่กลบเกลื่อนไม่เกลี้ยงไม่อะไรอะไรไปละสองไม่อยู่นิ่งเฉยนอกจากไม่กลบเกลื่อนแล้วพอเขาบอกก็แก้ไขเลยปรับปรุงเลยเปลี่ยนแปลงเลยไม่อยู่นิ่งเฉยเมื่อถูกตักเตือน นคนหนึ่งไม่กลบเกลือนเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนสองไม่อยู่นิ่งเฉยเมื่อถูกตักเตือนสามไม่มีจิตเพ่งโทษผู้ว่ากล่าวสั่งสอนสามไม่มีจิตเพ่งโทษผู้ว่ากล่าวสั่งสอนผู้ว่ากล่าวสั่งสอนนี่นะ ไม่ได้หมายความว่าเป็นครูเราเท่านั้นเป็นผู้ที่เราศรัทธาเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนดื้อเนี่ยนะมันไม่ดือดอด้อเท่าไรล้อกับพูดที่ศรัทธายกให้ยอมแล้วนะมันก็ไม่่อยดื้อเท่าไรล้อแต่ไอ้มันจะไปดื้อก็ไอคนที่พอๆกันนะหรือว่าไปเข้าใจว่าเขาเขาแยกก่กว่าเราเขาต่ํากว่าเราแล้วมันก็ดื้อไปเลยคือมันเพ่งทวดเขาก่อนคมเขาก่อน อย่างเงี้ยอ่างนั้นก็พวกดื้อเหมือนกันนะ่ยไม่ใช่พวกโสดจัดสตาไม่ใช่พวกว่าง่ายนะถ้าไม่มีจิตเพ่งโทษเพราะว่ากล่าวสั่งสอนซีเอื้อเฟื้อต่อคําสอนและต่อผู้สอนเป็นอย่างดียิ่งนะไม่เพ่งโทษแล้วก็ไม่กระด้างด้วยนะเอื้อเฟื้อผู้สอนก็เอื้อเฟื้อต่อคําสอนก็เขาว่าไงก็เออ มีน้ำใจเอื้อเฟือ้อมีน้ำใจที่ยอมรับโยงใยอย่างดีนะแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อผู้ที่นะไม่จะเป็นประการประชดประชันกระด้างกระทบกระแทกประชดต่ออะไรไม่มีนะห้าเคารพต่อคําสอนและต่อผู้สอนเป็นอย่างดียิ่งสีเอื้อเฟื้อไงห้าเคารพ หแล้วเหรอจะไม่บรรยายนอไงก็ห้าเคารพต่อคําสอนสีเอือเฟื้อไงไอ้ทําไมอะสีเอือเฟื้อต่อคําสอนและต่อผู้สอนเป็นอย่างดียิ่งห้าเคารพต่อคําสอนและต่อผู้สอนเป็นอย่างดียิ่งนเคารบนอกจากเอือเฟื้อแล้วก็มีความคาระวะมีความเคารพอยู่ในตัวมีลักษณะพวกนี้ละเอียดนะ เคารพคารวะนี่ถ้าเราจะเคารพคนใหญ่คนโตคนสูงแน่นอนเราก็เคารพได้ง่ายๆอ่ะไม่มีอะไรมากกวเคารพอยู่แล้วอ่าอยู่เฉยเฉยพอเดินสวนก็เคารพอยู่แล้วออย่างนี้มันไม่มีปัญหาอะไรเราต่อผู้สอนหรือคําสอนแต่เราจะเคารพคนที่เขาสอนคําสอนของเขาผู้สอนซึ่งไม่ใช่ผู้ที่เราเคารพนี่สิเนี่ยทดสอบใจนะอ่านใจตัวเองว่า คำสอนของคนมีค่ายิ่งเขาสอนถูกจะเป็นใครเขาสอนเราก็ตามเด็กก็ตามเขาสอนเราเขาพอบอก เ, าเราเตือนเราเด็กมันก็สอนได้บางทีนี้เด็กซื่อๆบางทีมันสอนนะนะแต่คำสอนนั้นมันเป็นความจริงนะมันความถูกต้องมีค่ามีประโยชน์ถ้าเราฟังแล้วก็เอออันนี้มันเคารพได้นะเคารพ แม้เราจะไม่ทำรูปเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่เด็กเขาสอนแต่เราก็รู้สึกในใจของเรานี่จิตของเราเนี่ยมันเป็นตัวเร็วๆทีเดียวแหละมันเป็นตัวที่มันจะดีหรือมันจะไม่ดีมันก็อยู่ความจริงที่จิตจิตถ้าเรามีความสานึกมีความเคารพการเคารพนี่อยู่ในใจเราก็ได้เราอาจจะไม่ทำออกข้างนอกเพราะว่าเด็กเนี่ยเออก็ เ, เป็นเด็กนะ้เราจะไปเคารพไปแล้วเด็กจะไม่เข้าใจจะกลายเป็นอย่างเงาี้เด็กจะกลายเป็นมานะ แต่เราก็รู้สึกว่าเราเคารพในใจนะจิตอย่างนี้มันเป็นได้แล้วเรารู้สึกได้เราเข้าใจเราได้เพราะฉะนั้นต้องมีจิตที่แยบคายโยนิโสมณสิการรู้ใจตัวแล้วก็ทำถ้ามันไม่เป็นต้องทำรู้สึกเราต้องฝึกเมื่อเข้าใจแล้วแล้วก็พมันมีเหตุการณ์มีเรื่องราวจริงต้องฝึกฝึกให้ได้ถราทาใม่ได้เสมอมันไม่เลวลงหรอ ไม่เชื่อจะเชื่อเนี่ยมันไม่เลวลงหรอกนะหกมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างดียิ่งหมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างดียิ่งอันนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยทำมันดื้อด่านเดียมันก็อ่อนไม่ลงละเจมีความยินดีปรีดาต่อคําสอนนั้ น, นรู้สึกว่ามันเออ คำสอนนั้นนะเพราะยามถ้าจิตใจมันไม่รู้สึกยินดีมันไม่รู้สึกปรีเปรมมันไม่รู้สึกว่าโอ้มันน่าดีอกดีใจนะคำสอนอย่างนี้อ่าแม่เล็กแม้น้อยถ้าพูดดิ้งละเอียดละอ่อจะเห็นว่าแม้แต่คำสอนนิดหน่อยเล็กๆน้อยนี่ไม่ใช่คําสอนที่จะแก้ไขปรับปรุงใหญ่โตอะไรหรอกแก้ไขเล็กๆน้อยนอยเนี่ยเพราะเวลาคนเรามันดีมากๆแล้วมันจะมีเหลือส่วนเศษอะไรเล็ก ๆ, ๆน้อยนเท่านั้นแหละ ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องใหญ่เรื่องโตเราทำได้แล้วก็เหลือเรื่องละเอียดละอเล็กๆกน้อยนบกพร่องนิดนิดหน่อยหน่คำสอนเล็กๆน้อยนเหล่านี้แหละเราก็มีความยินดีโอแม่นี่เลยเติมได้เพื่อบางทีมันหลงบางทีมันหลุดบางทีมันยานมันไม่ละเอียดปัญญาเราไม่ละเอียดมีคนนั้นคนนี้เตือนได้ติได้เขามองเห็นได้เล็กเล็กน้อยนเท่าเนี้ยเราจะเป็นคนที่มียานรู้ออเนี่ยนะคนที่แยบคายคนที่ละเอียดละอสุขุมประณีตเขาก็จะเห็น เห็นได้รับได้จับได้อ้อนี่นิดหนึง่งน้อยหนึง่งมีค่านน่ า, นายินดีปรีดาน ะ, นะเราก็จะต้องรู้สึกอย่างนั้นข้อ8ปดกำปั้นทุบดินไม่ดื้อรั้นนะผู้ว่าง่ายก็คือไม่ดื้อรั้ น, นแล้วข้อเก้าลึกเข้าไปอีกนะจะต้องมีใจละเอียดอีก ไม่ยินดีในการขัดคอระวังไปยินดีกับไอ้คนนี่ก็จะแม่ขัดคอกันง้อนอย่างนี้ก็เหมือนพระพุทธเจ้าไปยินดีที่เห็นชาวประมงฆ่าปลาชาวประมงกำลังฆ่าปลาอยู่ท่านก็ไปยินดีใจท่านมีอาการยินดีนิดนึงก็เขาไปเท่านั้นเองโอ้เป็นวิบากมาทําันต้องปวดหัวปวดหัว นะเพราะวีบากไปยินดีเห็นคนข้าบลาวขาข้าบลาไปามีใจแวบไปยินดีกับเขาได้อย่างนี้เป็นตน้นนี่เป็นความละเอียดนะเราต้องลึกซึ้งขึ้นแล้วจะไปยินดีา ก, การขัดค อ, อ, อกันทะเลาะเบาะแวงกันทําอะไรอะไรใครจะชนะค้า ข, ขางใครเขาจะเถียงกันเครจะไร่างเงี้ยอย่าไปสะใจอย่าไปอ น, อนุนิยอะไรกับเขานักนะอย่าไปยินดีในการขัดคอสิบมีปกติรับโอวาทเอาไว้ดีเยี่ยมนะ ละเอียดขึ้นไปอีกมีปกติรับโอวาทเอาไว้อย่างดีเยี่ยมมีปกติรับคำกล่าวคำเตือนโอวาทคำสอนที่เขาให้เราก็เป็นคนที่ว่าง่ายเป็นคนเออจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่ายินดีจะต้องรับดูเนื้อ เนื้อเรื่องเนื้อหาที่เขาให้นะโอวาสนั้นมีเนื้อเรื่องอะไรมีเนื้อแม้จะมีเนื้อไม่่อยมากละมีเนื้อนิดๆนะมีน้ําเยอะๆอะไรก็ช่างนะก็เราก็ต้องดูเนื้อดูน้ําอะไรของเขาแม้จะเนื้อนิดอย่างที่ว่าเนี่ยคือมีเนื้อหาสาระไม่มากหรอกเป็นโอวาทเป็นอะไรโงเจงไปอย่างนั้นก็ตามเราก็เป็นปกติทําให้เป็นผู้ที่มีความยินดีต่อผู้ที่จะให้โอวาทให้อะไรอะไรกับเรา อย่าเป็นลบหลู่ดูถูกอย่าไปเช่นไปทาใจอะไรแต่ใดที่ไปไปในทิศทางที่มันไม่ดีนี่เป็นความละเอียดนะเราไม่ได้พยายามรู้สึกไม่ได้ไตร่ตรองไม่พยายามที่จะได้กระทําได้ฝึกฝนมันจะหยาบหยาบอยู่อย่างนั้นนะ่ะเนี่ยอ่านดูดีๆแล้วไตร่ตรองดูถ้าเผื่อว่าเราเองเราได้ฝึกปรือกับความรู้สึกพวกนี้เข้าไปอีกเราจะเป็นคนที่มีจิตละเอียดแล้วก็รู้จัก ความดีเก็บความดีที่ยิ่งละเอียดละเอียดมันยิ่งเล็กยิ่งน้อยแล้วเนี่ยเก็บความดีที่ละเอียดเหล่านี้ขึ้นมาได้นะสิเอเป็นผู้อดทนเป็นผู้อดทนโมคลรสูรข้อที่28ที่บอกว่าโสวัวจสตาแปลว่าคนว่าง่ายจะมีคุณลักษณะต่างๆที่เราจะต้องเก็บละเอียด ดูแลพยายามปรับพยายามทำอะไรเข้าไปนะก็ขยายความให้ฟังบ้างแล้วเล็กๆน้อยๆนยนะเะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยนับวันเรามีดีเรามีอะไรที่จเจริญขึ้นเราก็ควรจ ะ, จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆมีอะไรที่ยิ่งฐานฐานะของบุคคลแต่ละคนบางคนก็เก็บละเอียดก่อนบางคนก็ทำหยาบก่อนก็ได้บางคนก็ทำไปทั้งสองด้านหยาบบางละเอียดบาง จะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่จะต้องดูจริงๆอะไรที่มันเป็นอกุศลอะไรที่ไม่ข้อบอกพร่องอะไรที่เป็นของที่ไม่ค่อยดีนะเรารู้ตัวเราก็พยายามปรับพยายามกระทำะเราได้พัฒนานพวกเราเชาวโสมนุกุกลุ่มกันมาเนี่ย จนกระทั่งทุกวันนี้อาตมาว่าพวกเรานี่มีความมั่นใจในพดที่มั่นใจนความมั่นใจที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีเวลานา น, านๆเฉยๆบางคนนี่มานานถึงขนาดนี้นะมาถึงวันนี้แล้วเอ้เราก็อยู่มาหกปีแปดปีแล้วสมควรเวลาคนจะจากกันได้แล้วมั้ง เพราะว่ามันไม่เข้าท่าเลยยิ่งอยู่ไปนานก็ยิ่งหล่อแหละยิ่งเห็นเอไม่ได้เรื่องนี่เดียวว่าไม่มั่นใจแม้จะอยู่นานยิ่งอยู่นานยิ่งเอ๊ไม่เข้าท่าจะต้องจากไปแล้วจะต้องอยู่รวมไม่ได้แล้วจะจะจ ะ, จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต่อไปแล้วเพราะงั้นการอยู่นานๆก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมั่นใจ ที่มั่นใจยิ่งอยู่นานยิ่งมั่นใจมันก็ต้องมีอะไรอจะต้องมีความจริงความจริงอตมาเรนเน้นมีนัยยะถึงเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้หนึ่งจะต้องความจริงนี่จะต้องมีเงื่อนไขว่ามันต้องเป็นความดีนะเป็นนิยามจำกัดความความจริง ที่จริงความชั่วมันก็เป็นความจริงแต่ว่าเราไม่เอาความจริงอันนั้นอย่างนั้นน่ะเรามาปฏิบัติความจริงนี้ก็คือสัจธรรมโดยเฉพาะยิ่งเป็นอริยสัจอริยสัจคือความจริง Un อันประเสริฐอริยสัจอริยในความประเสริฐความจริงอันประเสริฐ เพราะฉะนั้นเราจึงจากัดความของเราลงไปว่าความจริงนั้นจะต้องมีความดีเป็นความดีเป็นความดีนะมดสองจงเป็นประโยชน์คุณค่านะต้องเป็นประโยชน์คุณค่านะดีงามเป็นความดีเป็นความถูกต้องนะ เป็นสในจะแบ่งเป็นหลายๆในก็ได้นะเป็นความดีหนึ่งความดีสองเป็นความถูกต้องสเป็นความเป็นประโยชน์คุณค่านะความถูกต้องความดีความถูกต้องจะแบ่งเป็นอีกเป็น5้าก็ยังได้นหนึ่งดีสองถูกต้องสเป็นประโยชน์คุณค่า4เป็นความพ้นทุกขเป็นความพ้นทุกนะ สี่เป็นความพ้นทุกข์นะตัวสำคัญจริงๆที่อาตมาย้ำอยู่ทุกทีว่าความจริงคืออะไรคือความเป็นไปได้ต้องเป็นไปได้ต้องทำได้ possible ไม่ใช่ i m possible ต้องเป็นไปได้ต้องทำได้ เพราะในความดีเราจะคิดถึงความดีที่เลิ่ลอยวิเศษวิเศษโสแต่คนเป็นไปไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ความจริงหรอกมันความเพอ้อฝันคนเราทุกวันนี้เนะี่ชอบคิดอะไรเพอร้อเพอ้อฝันฝันบ่บ่บ่อะไรเยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมานิยามความจริงกันลงไปให้ได้ว่าความจริงจะต้องไม่ใช่สิ่งเพอ้อฝันเรบอกว่าความจริงเนี่ยจะต้องจะคิดเห็นดีวาดภาพอะไรอะไรให้ดีแต่เสร็จแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะมันไม่เอา เมื่อเป็นจะเป็นความจริงว่ามันดีแล้วเราต้องมาทําพิสูจน์เราต้องมาทํ า, าทให้เป็นไปได้ทําให้เป็นไปได้มันมาถึงเห็นว่าในพวกเราเนี่ยมีความจริงมีความจริงขึ้นไปเรื่อยเพราะเป็นไปได้เป็นไปได้อย่างที่น้ามหัศจรรย์และเราก็มาทบทวนกันอยู่ว่ามัน เรามาจนลงนี่อย่างเงี้ยมาจนอย่างที่เราจนกันเนี่ยมันมันไม่ดีหรือไงแล้วในอย่างที่เราจนลงไปนี่มันไม่เป็นประโยชน์หรือไงเรามาหัดจนยกตัวอย่างง่ายๆทั้งโลกเขาหนีกลัวนักความจนนี่แต่เสร็จแล้วเราเออเราไม่เคยกลัวละความจนหนักๆเข้าบางทีหลายคนมาอยู่ที่นี่เราไม่ค่อยอยากให้เพื่อนรู้ว่าเรามีมันแปลกทั้งโลกเขาเริ่มอยากให้คนรู้ว่าฉันมีนะฉันร่ารวยนะฉันเยอะแยะ มาอยู่ที่นี่ไปไปมาๆนานๆก็มันไม่อยากให้เพ uh, ื่อนรู้ว่ามีเพราะเพื่อนจะรู้ว่าเราไม่ค่อยเอาออกใช่ไามก็เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ว่าเราไม่ค่อยเอาออกมันมีแล้วมันก็เออก็เพื่อนเขาเอาออกเรื่อยๆจนเขาจะหมดแล้วห่ะเขาจะเป็นคนจนได้สําเร็จแล้วไอเราเองแล้ไม่ค่อยเอาออกมันเพื่อนมันก็มันก็อายนะมันก็ไม่เหมือนกันกับทั้งโลกทั้งโลกมันอยากจะให้คนเขารู้ว่าไม่มีมันจะอวดคําเป็นมีเลย โอ้ยขี้เกเไม่คยมีทำเป็นแหข้างนอกหรูหราฟูฟาจ่ายอวดอ้างกลับบ้านลอข่าวกับกลางปลาข้างนอกเราทาเป็นเครื่องเป็นอะไรอะไรแบบนั้นนะ่ะโรกโล ก, โลกอ่ามันก็กลับกันทางเราเนี่ยมาถึงว่าเรามาสละออกเรามาเป็นผูท้ที่อยู่ได้ยังไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะการมาอยู่ได้โดยไม่ต้องมีสะสมอะไรไม่มีอะไร ทรัพ ส, สมบัติอะไรก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องจริงๆเป็นถึงขั้นอนาคามิแคนาคามิหรืออนาคาริกะอนาคาริยะเป็นผู้ที่ไม่มีทรัพย์สริงคานไม่มีบ้านช่องเรือนชานแล้วแต่มันอยู่ได้นี่มันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากในโลกไม่ใช่คนจรนจัดคนจะมีเพื่อนมีมิตรีสหายดีมีญาติมากไปไหนก็มีที่พักที่พิงมีพี่มีน้อง สังคมอย่างนี้บุคคลอย่างนี้มันต้องมีสังคมนะไม่มีสังคมมันไม่ได้ทุกวันนี้มันไม่มีสังคมอย่างนี้ถ้าโดดเดียวเดียวแดให้ดียังไงนะไปโน่ไนไปนี่ heet, มันไม่ไว้ใจกันแล้วถึงแม้ว่ารู้ว่าดียังพึ่งได้ ย, ยากเลยจะอยู่กันได้สักกี่วันเป็นคนดีไปเออคนนี้ดีนะไปบ้านโน้นบ้านนี้ไอ้อนี่อยู่นานเนี่มันมันไม่ออกจากบ้านจะมาพะอยู่ที่บ้านอ้วงอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่เขาทําดีให้บางทีเขาก็ไม่ไม่ชอบหรอก แต่พวกเรานี่มีน้ำใจมีน้นมีนี่อะไรตไรกันอบรมเป็นวัฒนธรรมมีระบบมีความเป็นไปทางกายวาจาใจกันสุดท้ายแม้แต่แก่เท่าป่วยพิการอะไรเป็นขึ้นขันนั้นก็ตามเราก็มีน้ำใจมีเรี่ยวแรงมีความเกื้อกูลกันไม่ใช่คนเดียวแบ่งเบากันหลายๆคนช่วยกันคนละไม้คนละมือเห็น อ, อกเห็นใจกัน เข้าใจว่าเออจะไปหนักมันหนักอยู่คนเดียวมันก็อยากก็ลาบากหนะ้าต่างคนต่างเห็นใจกันก็อมาไปผัดไปเปลี่ยนกันบั่งเกิดคูลกันมั่งคนนั้นบงังคนนี้บ้างก็ยังไม่ตายจากกันก็ดูแลกันไปช่วยเหลือกันไปสังคมอย่างนี้เนี่ยเป็นสังคมมนุษย์ประเสริฐมนุษย์แท้ๆเป็นเมืองสวรรค์เป็นสังคมที่เราจะต้องสร้างเป็นสังคมศีอรษะเมตไตรเป็นสังคมที่มัน จิตวิญญาณเราเข้าใจแล้วเราก็ฝึกฝนเห็นความจริงพวกนี้ให้ได้เรามันเป็นความดีงามของมนุษย์นะมนุษย์ชาตินควรจะต้องเป็นอย่างที่กล่าวนี้ใช่ไหมแล้วใครเห็นว่าไม่ดีไม่ดีกับไม่ต้องเอานะไม่ต้องอยู่ด้วยกันนะใครอยู่ด้วยกันก็จะต้องมาเอาดีอันนี้ฝึกฝนอันนี้จริงจริงทำกันให้ได้กี่ปีกี่เดือนกี่ชาติก็ทาอาตมาว่ามันเป็นอย่างนี้ไปไม่ใช่ว่าเฉพาะ ยุคนี้สมัยนี้เท่านั้นแหละอีกห้ารอยปีเขาไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยมีจิตใจเอื้อเฟื้อกเกื้อกูลเลี้ยงดูกันอย่างนี้ยเขาไม่เอาแล้วไม่จริงอ่ะอีกห้าร้อยปีอีกห้าพันปีอีกห้าหมืนปีมันก็ต้องอย่างนี้ลรามนุษย์น่ะจริงจริงไอ้อย่ัยงแตกแยกอยู่อย่างระแหงอยู่อย่างตากตัวใครตัวมันอยู่อย่างไม่เกื้อกูลกันนั่นเอาลองเดาดูเอาในใจลองคาดดูคดเดูสิชาติไหนมันควรจะทํา ยุคไหนมันควรจะทำอย่างนั้นยุคไหนมันก็ไม่สมควรนอกจากมันทำไม่ได้ใช่ไหมนอกจากมันทำไม่ได้ยุคไหนมันก็ไม่สมควรที่จะไม่ทำอย่างนี้มันต้องทำอย่างนี้ต้องเกือกูลกันเอื้อเฟื้อกันเพราะงั้นเราจะเกิดมายุคไหนสมัยไหนสัจจะที่ว่ามันเป็นความดีความถูกต้องจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหรอกที่มันเปลี่ยนแปลงก็เพราะความ ไม่ดีไม่งามความไม่เข้าชอบมาภาคกุญเลสมันเก่งนี่มันก็เลยไปกันใหญ่เพราะนั้นถ้าบอกว่าเกิดมาเรายังมีคุณธรรมเรายังมีภูมิธรรมเรายังมีความรู้คุณจะเกิดมาในท่ามกลางกะลียุคซึ่งเป็นคนเห็นแก่ตัวกิเลสจัดจ้านยังไงยังไงนะคุณก็จะมาเห็นว่าโอ้มันแก้ไขไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้ก็จริงอยู่แต่ความดีมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหลอะอเราก็ทําของเราเขาทําได้คนเดียวสองคนห้าคนก็ทํากันไป ทุกวันนี้เนี่ยได้ขนาดนี้นะดีแค่นี้นะอย่านึกว่าดีใจว่าจะชมมากกว่านี้นะได้ขนาดนีนะ้ดีแค่นี้นะก็ยังยากนะแต่ยากก็ต้องทำมันต้องทำให้ดียิ่งขึ้นดีกว่านี้ดีมากกว่านี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะภาคเพียนเกิดมามีชีวิตไม่ต้องไปมีอะไรหรอก มันพาดเปลี่ยนให้ดีเท่านั้นแหะคนเราแล้วก็เมื่อมีมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีอย่างนี้มันหาง่ายที่ไหนแหมพูดแล้วไม่อยากจะคุยนะจริงๆนะสังคมกลุ่มที่มันจะเป็นอย่างนี้สังคมกลุ่มที่มันจะได้ขนาดนี้อย่างนี้อยู่นะมันไม่ใช่หาได้ไง่ายๆยิง่งยุคการทุกวันนี้นละ้มันแย่จริงๆนะมันแย่เราจะต้องพยายามให้เนียนยิ่งขึ้นให้เจริญยิ่งขึ้นอย่าดูดาย ถ้าเราได้สั่งสมได้อบรมประพฤติให้มันดียิ่งขึ้นเนี่ยมันเป็นพะวะตปัจจัยเป็นปิบากเป็นกรรมทายาโทเป็นมรดกของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเป็นของตนของตนไม่มีใครปล้นจีอวได้ถ้าคุณไม่ทำก็ไม่ได้นะคุณจะผัดไปวันนี้ จนกระทั่งผัดไปชาตินี้ชาติหน้ า, นามันก็ยังไม่ได้อยู่ทั้งชาตินั่นแหละชาติหน้ามันาก็ยังไม่ได้ผัดไปมันยังไม่ได้ขนาดได้บางแล้วมันยังกล่อนนะฟังคำว่ากลอนเลยเพราะว่ากาละก็ดีอะไรก็ดีสัญญาก็ดีมันประกอบกันสัญญาคือความจํามันเป็นเจเตสิกหนึ่งของสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของจิตวิญญาณอ่าเป็นองค์ประกอบของจิตวิญญาณมันมีสัญญามันมี พวกนี้นี่สั่งสมมีสัญญานี่แหละเป็นตัวสั่งสมเป็นตัวความจําเป็นตัวกําหนดรู้พระพุทธเจ้าสอนว่าสัญญาเที่ยงหรือเปล่าไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นมันจะมีความเสื่อมหรือมีความกลอนในตัวเขามันเหมือนกันที่มันติดตัวเราไปเนี่ยมันติดตัวไปด้วยสัญญาไปติดตัวไปด้วยสัญญามันจํา เป็นความจําความจดความสั่งสมเป็นความวิจิตของจิตในความวิจิตของจิตถึงแม้กระนั้นมันก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงมันได้สัญญาจําหรือว่าผนึกหรือว่าสั่งสมสั่งสมเป็นพลวัตปัจจัยได้แน่นได้แข็งแรงขนาดนั้นจริงๆแล้วมันตจึงมีเสื่อมอยู่ในตัวบ้างเพราะฉะนั้นทําให้มันแน่นให้มันมั่นคงมันค ง, นงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันไม่เที่ยงแท้เราถึงต้องขนขวายต้องอุตสาหาเวริยะอยู่เรื่อย ไม่มีอะไรเที่ยงแท้มันมั่นคงก็เพราะเราสั่งสมมันมากไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเองมันไม่งอกเองนะมีแต่มันจะเสื่อมนะเพราะสั่งสมคุณค่าความอดทนสั่งสมความเมตตาสั่งสนสั่งสมคุณค่าความเฉลียวฉลาดอะไรก็แล้วแต่ความสามารถในด้านนั้นด้านนี้สั่งสมลงไปนั่นะ สังสมไว่มากมากๆๆๆมันจึงอยู่ได้คงทนหรือว่าได้นานได้แข็งแรงนานเพราะการสั่งสมมันจึงต้องทำอยู่ตลอดเวลาต้องทำอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่านั่นคือความมีอาเทนี้กลับกันในความไม่มีนี่เราปรารถนาให้อะไรไม่มีกินเล่ ปราธถนาให้กิเลสไม่มีขณะกิเลสเราทำไปแล้วนี่นะอาตมาในเล่าจะพูดให้ฟังนี่ถึงเรื่องของอาจินไตยอย่างหนึ่งนะอจินไตยอย่างหนึง่งเราได้ยินมาว่าสิ่งที่ล้างสะอาดได้แล้วสุญยตาสนิทแล้วเสร็จจบแล้วมันก็ไม่มีสะอาดได้แล้วสุญยตาสนิทแล้วเสร็จจบแล้วมันก็ไม่มี ความไม่มีมันก็ไม่เที่ยงอัตมาพูดจะพูดให้ฟังนี่มันเรื่องของพระโพธิสัตว์เราก็ไม่มีแล้วกลับมาเกิดใหม่เอ๊ะมันมีอีกแค่มันมีอีกเพราะโลกมันมันมอมเมาเราโลกมันเอามาเปาะเราว่าปราเรามีมีไปตามโลกแต่มันก็สลัดออกได้เพราะเราเคยทำมาแล้วมันจะต้องถึงถึงาวถึงคลาวที่เราจะล่อนออกไปได้เกลี้ยง แล้วเราเคยทําเกลี้ยงแล้วมันได้ถ้าในถึงรอบที่เราทําสะอาดได้มันก็เป็นของจริงทีนี้ถ้ามันร่อนได้อย่างมันมีระดับอีกเหมือนกันร่อนได้ระดับที่เรียกว่าร่อนได้อย่างแหมติดยากมันก็อาพอกได้หลุมหลวมสลอาดปื๊ดกับเกลี้ยงร่อนอย่างชนิดเรียกว่า ยังยังมีเนื้อดูดนิดนิดนิดนดอยู่ที่นีเราสลัดออกยากเลยทีนี้นี่เหตุผลง่ายง่ายเหตุผลจริงๆริงคุณฟังเอาลวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดนึกอะไรเลยอย่าประมาทเอาให้มันเกลี้ยงให้มันล้นให้มันหมดไปจกนกระทั่งมันามาแตะป้าไปกระเด็นเองเลยให้มันถึงอย่างนั้นเลยเพราะความทุกอย่างมันเกิดจากกรรม เกิดจากการสั่งสมทั้งนั้นแม้แต่เรื่องที่ไม่มีเพราะฉะนั้นเราบอกว่ากิเลสเราไม่มีอย่าไปนึกว่าเราไม่มีแล้วจบแล้วอย่าไปเข้าใจตื้นๆว่านี่หมดแล้วถอนอาสวะสิ้นแล้วหมดแล้วเกลี้ยงแล้วไม่ต้องทําอีกแล้วจริงไม่ต้องทําอีกแต่รอบที่มันจะแน่นแนๆๆแนจริงๆนั้นไม่ใช่เรื่องภาษาพูดเพราะพวกนั้นรู้จริงแล้วเขาก็ไม่ทําไม่รับเองไม่รับจริงๆแล้วก็พยายามทั้งรู้ทั้งทํา เจโตทําจิตให้เกลี้ยงอยู่เรื่อยเกลี้ยงอยู่เรื่อยเกลี้ยงอยู่เรื่อยสะอาดอยู่เรื่อยไม่อยาไปประมาทเป็นไปร้ายเราเราล่อนได้แล้วดูดูดู ด, ด, ด, ด, ดูเดี๋ยวมันก็กลับมันเวียนวนเวียนวนถ้าคุณเข้าใจอันนี้แล้วคุณจะไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมก็ว่าหมดแล้วแล้วทําไมกลับมามีเมือก็มีอีกอ่ะมันมีอีกได้แต่จะมีอีกในระยะที่เราว่ามันแบบล้มหลวงแบบง่ายๆแบบที่เราว่า มัน ม, มันก็ถูกหลอกๆมันลเล่นเล่นไปชั่วคราวอะไรก็ได้มันเป็นโรโลกโลกี ล, กกล้มหลว ม, มันไม่ใช่แก่นแท้แล้วตะพูดทีได้แล้วแม้ล้างออกละออกแล้วได้ก็ได้ผูนั้นทาได้แล้วมีพาระปรัจจัยจริงก็ทาได้แต่ล่อนอย่างสะอาดบริสุทธิ์อย่างวิเศษขนาดไหนล่ะถ้าวิเศษมากก็สลัดง่ายถ้าไม่วิเศษมากก็หนักของคุณอยู่นั่นแหละ เพราะอย่าประมาเลยถ้าเผื่อว่าเราเห็นว่าสิ่งที่จะไม่ให้มีก็ต้องไม่ให้มีมันไปเรื่อยๆบำเพ็ญไปทุกระยะไปอย่าไปเทดิดเฉลออย่าไปเทิดประมาทอย่าไปเฉลย อ, อย่าไปประมาทเป็นอันขาดด้านสิ่งใดควรจะสะสมให้มีความขยันมันเพียรความเมตตาเกื้อกูลความเอื้อเฟือ้อความอดทนอะไรต่างๆนานาพวกนี้ ในด้านที่จะต้องอาศัยมันนะสิ่งที่จะมีคุณก็ต้องสั่งสมไปทั้งนั้นถ้าไปเรียนอย่างฤาษีแล้วก็โอ้พวกนี้เนี่ยนอกจากกิเลสจะหมดจริงก็ไม่จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าไม่ยอมรับแม้แต่แค่โสดาบันะจะไปนั่งกดข่มไปนั่งทําลืมอะไรอยู่แค่ไหนก็แล้วแต่แต่มันไม่จริงมันไม่จริงมันแค่ได้เรื่องพระพุทธเจ้าที่บอกไม่รู้จะเอกเกรดอะไรไปตัดเพราะว่ามันไม่รู้แล้ว ไม่รู้เอาไปจมบ่อไว้ที่ไหนจะ น, นั่งสะกดจิ ต, ตมันไม่เข้าสูตรท่านก็ไม่ยอมรับแม้แต่โสดาบันทีนี้ถ้าเข้าสูตรเขารู้เจ้าท่านรู้จักจ่าง ก, กลางอย่างสูงอย่างต่ําอย่างอะไรอะไรเข้าใจกิเลสจริงๆเข้าใจเหตุปัจจัยเหตุปัจปจัยนี่เรียกว่าอบายมุขนะในเรื่องเลวร้ายของสังคมโลกลู่โล ก, กวิทูอันนี้เขาเรียก ว, ว่าอีกนิดหยาบๆต่ำๆนะอย่างงั้นอย่างนั้นนะแล้วกักิเลสเราไปผูกพันไปติดไปยึดไปอะไรอยู่ก็รู้กิเลสด้วย เหตุปัจจัยก็ต่ำกิเลสเราก็หยาบจะผูกพันมันอยู่จนกระทั่งเอ้ากิเลสหยากกิเลสกลางกิเลสละเอียดกิเลสหมดไอเรื่องต่ำก็หมดไปไอเรื่องสูงเรื่องกลางเรื่องอะไรต่อไรรู้โลกวิถูรู้จริงๆลักษณะอย่างไรอย่างไรอย่างไรแล้วกิเลสอย่างไรแล้วกิเลสหมดไม่หมดอย่างไรมันมีลักษณะของมันหมดชัดเจนไม่จะคลุมเครือ ไม่ใช่เดาไม่ใช่ปิดประตูไม่รู้เรื่องขังมันไว้ตรงโน้นเราไหนล่ะไม่มีไม่มีอยู่ไหนปิดขังไว้ไหมมันเป็นอะไรไม่รู้เรื่องขังมันไว้มันแตกตัวยังไงมันใหญ่มันโตเขียวงอกยังไงไปกดไปดันมันไว้ยังไงเหมือนขังเสือเสือมันโตเขียวมันยาวก็ไม่รู้เรื่องสอกวันมึงนมือกมากัดตัวเองลักษณะของฤาษีลักษณะของพวกที่ไม่ทําให้ถูกทางเป็นแบบนั้นแล้วเาก็หลงไปชาติหนึ่งสองชาติไปตามเรื่องตามราว กดข่มกันมากๆติดตอนเนื่นนานกันหลายๆชามันก็กดข่มได้เยอะนะว่าสายที่กดข่มได้เยอะๆพวกนี้เน่ยเขาไม่ค่อยเชื่อพวกนิช้ามาฟังธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเขากดข่มเอาเขาก็ทําลักษณะของเขานั่นแหละนะแล้วเขาก็ของเขาได้เขาฟังอย่างนี้ไม่รู้เรื่องรายละเอียดพวกนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะกว่ามันจะได้กลับมามาฟังธรรมพระพุทธเจ้ารู้เรื่องกว่าจะรู้รายละเอียดอะไร ถ้าใครไปที่ไดนหลงทางไปอยู่กับฤูสีไปแบบฤูสีไปมากๆมากๆ ก, ก, ก, ก, กลับจะกลับมาปุ๊ยยากเพราะทางใครก็ทางใครอทางใครทางมันบริวารใครกับรรนะบริวารมันจริงๆนะบริวารใครกับบริวารเพราะงั้นบางทีบางคนอาจะมาเห็นแล้วพบแล้วปุ๊ยไปพูดเลยมันคนละสกุลอ่า คนละสปีสีคนละแฟมิลี่คนละไฟรัมแยกเป็นละเอียดละเอียดไปเลยมันแยกเป็นคนละพวกคนละเหล่าคนละกอคนละเชื้อคนละสายมันพูกกันไม่รู้เรื่องมันก็ไปกันก่อนใครเข้าสายได้แล้วก็ว่างของเราเงี้ย นี่สายหรือสีลิงดำกับไปขณะที่ว่าพุทธเหมือนกันนั่นนะนี่สายพระเทพเวทีกับไปแม้แต่ที่สุดแยกกันละเอียดอีกสายนั้นสายนี้ยังมีแนวร่วมกันบ้างก็ยังคล้ายๆใกล้ๆกันพอไปๆพอมามันก็ยังไม่ค่อยเข้ากันอยู่นั่นแหละมันกว่าจะเข้ากันได้สนิทเนียนเห็นตรงเห็น ไปได้ช่องทางเดียวกันหม่อได้ง่ายๆเลยเขาก็คงว่าเหมือนกันกราว่าเนาะ e ไอ้พวกนั้นมันพวกสายคนบ้ามันไป e เขาสายคนดีมันดูมันว่าบ้าบ้าบอๆกินก็ไม่เหมือนโลกอยู่ก็ไม่เหมือนโลกนะมันนั่งทำเป็นพูดหัดจนหัดจน ก็จะมาเป็นคนจนดูที่มันร่ำรวยดูที่มันทําออกไปแจกคนยังกระหูมหาเศรษฐีนะจริงด้วยสิเพราะเราจนเราจึงแจกได้เพราะเรากล้าจนเราจึงแจกได้เก่งแล้วเขาไม่กล้าจนเท่านั้นเขาก็ไม่ค่อยพอบําเรอตนมันจะไปแจกอะไรเขาได้นะมันมันมันสัจจะมันจะต้องสอดคลองนะเพราะเรากล้าจนมันถึงมีแจกแต่มันเราไม่กล้าจนมันจะเอาอะไรไปแจก กล้าจนแล้วก็ไม่ใช่ขี้เกียจด้วยกล้าจนแล้วขยันด้วยนะสร้างอยู่ทำอยู่ไม่ใช่เถอะไปคว้าของคนนั้นของคนนี้มาแจกสร้างเองสร้างคนดังช่วยกันสร้างเสร็จแล้วเราก็ซ้อนลึกลงไปอีกต้องไม่พลานด้วยสร้างแล้วก็ไม่พลานชีวิตเราเลี้ยงง่ายถูกๆไม่แพงกินนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วสังเคราะห์ได้ดี สรีระเก่งกินเข้าไปน้อยเดียวแต่สังเคราะห์ได้แคลอรีมอ่มากไม่ใช่ใสเข้าไปต้องโอ้โหไม่สังเคราะห์เลยเป็นพิษด้วยเลอะสรีระไม่ดีร่างกายธาตุไฟธาตุน้าธาตุดินธาตุดมอะไรร่างกายเราไม่ดีกินไปก็สังเคราะห์ไม่ออกอย่างง้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ธาตุที่ดีออกมาใช้เลี้ยงร่างกาย มันก็ทั้งนั้นแหะมันก็ถูกนะมันก็ไม่สมดุลมันก็ไม่ดีไม่เจริญแต่ถ้าดีแล้วนะสิรีระร่างกายโอ้กินก็ไม่หมากแม่อะไรหรอกสังเคราะห์ไปได้สัดส่วนได้แคลอรี่ที่ได้ธาตุที่พอเหมาะพอสมมาไปเลี้ยงร่างกายได้ดีแข็งแรงทํางานได้มากสุขสบายมันจะค่อยๆปรับปรุงปรับเปลี่ยนไปไเรื่อยๆนะทั้งยีนทั้งตัวบุญตัวบาปตัวพลวัตปัจจัยของเราเนี่ย บางคนอายุสั้นอายุยาวมันเป็นเรื่องของบุญของกรรมอย่างที่เราว่าบางคนสรีราเกิดมาไม่ไม่มีโรคไม่มีภัยอรารวจยาดีตับดีไตดีได้เนดีแข็งงวงแข็งแรงอะไรดีมันก็เป็นของเราอ่ะบางคนเกิดมาเนี่ยหัวใจไม่ดีมาตั้งแต่เกิดแล้วยังเล็กเนี่ยม า, าต้องผ่าตัดต้องตายก็ออของเขาอ่ะเขาก็ทํามาของเขาอะ่ะไตไม่ดีตับไม่ดีสรีราส่วนนั้นส่วนนี้ไม่ดี ใครมันก็อยากได้ดีๆทางนั้นนะ่ะมันจะดีหรือไม่ดีมันก็บุญกักรรมของเราเพราะฉะนั้นสั่งสมไปเถอะคุณค่าความดีนี่แล้วก็ทําไปให้ดีอย่าไปขี้เกียจอย่าไปรังเกียจในสิ่งที่มันถูกต้องมันดีงามบอกให้กินถัว่วให้กินงาให้กินในโน่นนี้มั่าเอาแต่กิเลสเป็นเจ้าเรือนไม่ชอบอ่ะไม่ชอบก็กิกนทีก็มันเป็นธาตนะุาน่ะธาตมันจะรู้เรื่องอะไรเราทาต ให้มันาธาตุมันสมาธาตุเนีมันได้สัดส่วนของาธาตุธาตุที่ดีๆเข้าไปแล้วมันก็จะไปสังเคราะห์ไปปรับปรุงมันก็เป็นไปเองไปสังสมให้สิ่งที่มันไม่เข้ า, า่าตุไปไอ้นนก็เว้าไอ้นี่ก็แหว่นชาดนาก็แหว่งต่อตับแหวนไตไตแหวนหัวใจแหว่นฟังดีๆนะมันเป็นพลวัตปัจจัยอย่าไปคิดตื้นตื้นนะ เพราะเราภาคเพียนพยายามเนี่ยเราทําทุกอย่างอย่าไปทําด้วยอํานาจกิเลสต้องทํำด้วยความรู้ต้องทําด้วยวิชาทําด้วยอํานาจวิชาอํานาจความรู้เพราะฉะนั้นเราจะพยายามภาคเพีพยนอะไรอยู่แม้แต่กินแม้แต่อยู่แม้แต่ทําการงานแม้แต่ขยันหมั่นเพียรทํานุ่ทนทํานี่พวกเรานี่เรียบร้อยมืนี่มาก็อามาเทิร์กันน้อยได้ระบบระเบียบขึ้นมาแต่ละวันแต่ละเดือนปีนี้ปีที่สิบสีมานั่งมาถึงเวลาอะไรมาก็นั่งกันเรียบร้อยอะไรต่างๆนานๆเนี่ยมัน นคิดถึงเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเรา โ, โลเลทีนี้มันก็เข้าใจต่างคนต่างก็รู้มันชนานาญไปในตัวมันเหมือนเรื่องเล็กน้อยนะแต่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหรอกค่อยๆเป็นไปเราไม่ได้จับเหมือนหัดเป็นบัตทหารเข้าแถวทำไม่ได้ก็ต้องหัดบ่อยๆมันพรักให้มันพร้อมให้มันตรง ไอ้มันได้สัดได้ส่วนเป็นแบบบีบบังคับเราไม่ถึงขนาดบีบบังคับทุกคนกค่อยปรับค่อยปรับค่อยรู้ค่อยรู้แล้วก็ค่อยถอยทีถอยอาศัายกันกค่อยแบ่งค่อยๆอะไรไปเมียแล้วมันก็จะจัดสรรจัดส่วนอะไรของมันเองมาลงตัวเข้ามาเลยแต่เราเดินแต่ละปีมาเรื่อยเรื่อยเรามาตามธรรมชาติไม่ใช่ไปรีบบีบรีบบีบเอาเพราะใครเองก็ตามส่วนตัวแต่ละคนนี่ถ้าเรายิ่งสังวรระวังดีนะเออเราเข้าใจ เรารู้จักนัง่งรู้จักยืนรู้จักไปรู้จักมาคนนั้นก็เร็วคนนั้นก็เป็นหลักได้ก่อนใช่ไหมคนนั้นก็เร็วคนนั้นเป็นหลักได้ก่อนแล้วก็รู้จักเข้าใจจําได้อะไรไวๆก็เป็นห <hab Anton ia> ลักเป็นอะไรคนหลายๆคนคนนั้นคนนี้ได้อีกกร่วมกันเสริมสารเป็นรูปเป็นแบบเป็นอะไรไปหลายๆคนคนนั้นเฉยๆเซ่อๆหน่อยเขาเาเก่งไปทั้งนานแล้วเขารู้หมดแล้วตัวเองเซ่อคลํายังงมงามอ๋อไม่เคยรู้เรื่องผู้นี้ก็คงเข้าใจมันไม่ธรรมดาม อยู่ที่ใครจะภาคเพียรอบรมฝึกฝนปฏิบัติประพฤติสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเล็กน้อยดูเหมือนไม่ใช่ประมาจิแต่เป็นพลวะปัตใจไม่ขาดทุนหรอกได้ก็ได้ในชาตินี้นี่แหละมีแล้วก็เราแค่ล่องมีกิริยามารยาทมีการสังวรรู้จากระบบระเบียบรู้จากใกายกรรมวจีกรรมนกรรมพฤติกรรมอะไรที่ดีๆทำงานแล้วก็ได้ใช้ได้อาศัย ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นคนดีมีพฤติกรรมที่ดีกายวาจาใจาอย่างนี้แม้คุณจะเอาชาตินี้ชาติเดียวเป็นอรหันต์ชาติเดียวแล้วก็จะเลิกเลยก็ตามมันก็ได้ดีชาตินี้ได้อาศัยชาตินี้แต่แน่ใจไม่เล่าว่าจะได้อรหันต์ชาตินี้ชาติเดียวฮะแน่ใจไหมเราจะอรหันต์ชาตินี้เพราะชาตินาทาไมได้อบรมมาอีกชาตินามาก็หมาลิงเอ้เกิดไม่อีกแล้ว นอกจากลิงแล้วยังเป็นเหมือนควายด้วยเซอร์ลิงผสมควาย <c oughs> เกิดมาอีกแล้วเพราะไม่ได้อบรมไว้แต่ชาตินี้ชาติหน้ามาก็โอ้โหถ้าไปเจอผูดดีเขาอดทนได้ก็ดีไปอไอ้ลิงกับควายเนีฝึกมันเถอะลิงกับควายฝึกมันให้มันถ้าไปเจอไอ้ทีมันเขาไม่อดไม่ทนเขาก็ดีดส่งไปเลยไปอลิงอีกควาย เขาไม่เอาเทาั้นเดงเขไม่มีเพื่อนไม่มีหมู่แต่ถ้าเราดีไปแล้วเราก็จะได้เป็นหลักที่นั่นที่นี่อย่างนนอย่างนี้มันเป็นพลวัตปัจจัยไม่น่าปฏิเสธหรอกเพรา ะ, ะเราเองเราศึกษากันไปบางที่บางแห่งสอนปรมามัดไอ้นี่มันไม่ใช่เราเนี่ยมันสมมติเท่านั้นแหละเมื่อเมื่อกี้วันออนี้อ่านเของเสถียนพงศ์วรรณปกแม้พูดถึงปรมา TS, ม, มัดกับสมมติเขาเถียงกันกับคอนอื่คอนคนอื่นเขาติเตียนเขาติเตียนเขาในเรื่องเขาพูดผิดไป เขาก็ติเตียนพปถึงเรื่องสัจจะเขาก็แย้งไปหาสัจจะแหมรู้นะรู it. Like it ้เขาติเตียนไปถึงเรื่องความถูกต้องความดีงามอะไรเขาก็ตำแบงไปพับเรื่องปรามัดมันไม่ดีไม่มีชั่วที่ผมหมายนะหมายถึงปรามัดคุณพระพูดอย่มันเรื่องของสมมุติสัจจะเท่านั้นน่ะนอนยังไม่ถือสาอยู่เรื่องดีเรื่องชั่วไปนอนเลยโอ้เจ๋งจริงๆ ย ร, ร, ริงจริงนะก็ที่เลี่ยงได้เทียงได้หรือปรมามัดไม่มีดีไม่มีชั่วแต่ประมัดที่ดีพระอระหันต์เจ้าน่ะเป็นคนดีนี่พฤติกรรมที่ดีไม่ดีนะอย่าหยาบจริงในสัตส่วนบางทีก็ยังมีหยาบอยู่บ้างแต่หยาบนั้นจะต้องมีน้ำหนักของปรมามัดที่สมบูรณ์นะถ้าเป็นพระอระหรน <c oughs> ันต์ก็ยังมีอยู่นะประมัดบางทีบางทีพระอระหันต์ดือด้อพระอรหันต์ถอยๆก็มี พระหันหยาบคายพระอหันอะไรอะ่ะมีไอ้ที่เป็นสิ่งบกพร่องบางสิ่งบางอย่างก็มีอยู่บ้างแต่คุณจะจะเป็นเหรอเฮ้ยถเลือกเอาได้แล้วคุณจะเลือกเอาอยัางไงอะ่ะเรเป็นพระอาหารดีๆก็แล้วกันเพราะว่อย่างน้อยก็ต้องได้อาศัยสั่งสมไปทั้งสองด้านจะเป็นสัจจะด้านสมมุติกฎตามเป็นสัจจะด้านปรมัติ์กฎตามเพราะนั้นจะเป็นนั่ง สอนกันบอกเออเรามาไปวไไุ่นวายได้เรื่องพวกนั้นน่ะมันไม่เข้าท่าแล้วที่จริงมันเป็นอุปการะเป็นอุปการะนะบางคนนี่มีสมมติที่สัจจะเจ๋งเลยนะแต่ปรมัตไม่มีนะสวยกิริยามารยาทความอ่อนน้อมท่อมตนอะไรก็ต่างแต่สมมติทั้งนั้นแหะพวกนี้นะความอดทนความเมตตาเกื้อกูลอะไรต่างๆสมมติทั้งนั้นแหละพวกนี้มีมากมีดีนะแต่ปรมัตไม่มี ถึงแม้ว่าไม่มีปรมัตย์มีสมมติศาศาสตัจจะดีและสอดคล้องอย่างวิเศษเนันยังทําให้คนหลงว่าเป็นพระอริยะเจ้าได้เลยใช่ไหมเพราะแนวโน้มของคนนี่มันเข้าใจว่าพระอรหันห ร, รือพระอริยะนี่จะต้องเป็นคนดีเขาไม่มีแนวโน้มว่าพระอริยะหรือพระอรหันเนี่ยจะต้องเป็นคนไม่ดีใช่ไหมเพราะขอใหดีเธอให้เป็นสมมติา ส, าาสตัจจะนี่แหละดีนี่แหละให้ดีเพราะแม้ว่า ปรามัดยังไม่เ ก, ก่งฝึกฝนแต่ดีดีดีดีสมมติที่สัจจานี้ดีๆๆๆๆมากๆๆมากๆๆมันก็เป็นคุณค่าของโลกแล้วคนก็เข้าใจยกจ้องชมเชยยกจ้อง ช, ช, ช, ช, ช, ช, ชมเชยหรือว่าคนรักคนบูชาเคารพนับถือได้แล้วยิ่งมีปรามัตดด้วยนีย่เราก็เรียนปรามัตดกันอยู่มันก็ไปได้วยกันอุปการะกันไปหมดเลยจเจริญไปได้กันหมดเลยเพราะงั้นอย่าไปประมาดสมมติที่สัจจ์สายบางสาย ศึกษาธรรมะเนี่ยประมาทสมมติสัจจะแล้วทิ้งกว้างไม่สมบูรณ์ทั้งสองด้านแล้วมันก็ยากด้วยนะยิ่งเขานึกว่าออ่าไปวุ่นเลยเนี่ยสมมติเอาแต่จัดเอาแต่ใจใจเอาแต่จิตจิตสายนั่งละตาเนี่เออเนี่ยไม่จะไปยุ่งศึกษาได้นั่นพูดนะสมมติเอาเข้าไปจิตจิตพวกนี้แหละพวกหลงทิศหลงทางจริงๆแล้วมันอุปการะกัน ถ้าเข้าใจมรรคองแปดแล้วนะไปด้วยกันมาด้วยกันในการปฏิบัติกายวาจาใจทั้งนั้นแล้วก็คือกรรมทุกกรรมกรรมทุกกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติทั้งกรรมทุกกรรมกายวาจาใจทุ ก, กันมันก็ยิ่งละเอียดแนบเนียนที่จะอ่านจิตวิญญาณได้ดีมีสติสัมพธิชมีธรรมวิจัยสัมโพธชมแล้วก็ภาคพียกนกระทาประพฤติไปเรื่อยๆมันก็ได้ปรับทั้งสมมุติสัจจะกายวาจาใจปรับพฤติกรรม ดีดีดแล้วมันก็จะได้อ่านยิ่งดีอย่างนี้มันจะมีสภาพซับซ้อนสภาพย้อนแยง้งเออเรามีท่าทีดีอย่างนี้สัมผัสกันอย่างนี้จะเป็นยังไงท่าทีเราไม่ดีอย่างนี้สัมผัสกันอย่างนี้จะเป็นยังไงมันจะเกิดจิตยังไงผลสะท้อนตอบแอคชัน่นรีแอคชั่นต่างๆ่างนานามันจะให้เราได้อ่านละเอียดละอและคนบวกกัเหตุปัจจัยที่ว่าเออและคนจริตอย่างนี้ล่ะ กะทบอย่างนี้สัมผัสอย่างนี้เด็กกายกรรมอย่างนี้วิจิกรรมอย่างนี้มโนกรรมอย่างนี้ไอ้คนดื้อด้านคนว่าง่ายคนที่หยวนกับคนที่ไม่หยวนง่ายอะไรต่างๆนั่นนะอิสารพัทอีกมันก็จะทําให้เรานี่แหละได้อ่านได้รับความรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นสายที่จะเอาแต่จิตเอาแต่นั่งไม่สัมผัสอะไรไม่คบกับใครไม่วุ่นกับใครไม่มีทางบรรลุ่มรมไม่มีทางเป็นพระอาหารหันต์ขอยืนยันเอาหัวชนเสาเลยไม่ใช่ชนฝา ยืนยันเขายืนยันเพราะมันไม่ได้ชัดเจนมันไม่ได้ละเอียดละ อ, อ่พระอรหันต์จะต้องล้างอนุสใสอาสวะทุกอย่างและลักษณะอย่างนั้นมันจะไปล้างอนุสัยอะไรได้ไม่ได้หรอกมันไม่มีการรู้เรื่อง ร, รู้ราวมามีสภาพแง่เชิงที่สลับซับซ้อนละเอียดละอ่มันไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าทีงไม่ยอมรับสบประเภศ ท, ที่ไปเทเรลบหลับมุดอยู่ที่ไหนแบบฤษีทีไพรทึ่งโดยเขาคนพบก่อนพระพุทธเจ้า ม, มาตั้งไม่รู้กี่กับกี่กัน พวกอาจารย์แบบฤษีอย่างนั้นนะพระพเจ้ามาคนพบทฤษฎีของท่านทีอกอของท่านนี่มีสัมผัสเป็นปัจจัยล้างมิจฉาทิฐิล้างสักการยาทิฐิล้างอัตตานุทิฏฐิออกให้หมดเกลี้ยงโดยการเห็นอนัตตาเห็นความศูนย์ของกิเลสอย่างชัดเจนอย่างนี้จริงๆแล้วท่านก็ถึงเอามาสอนคนแล้วพิสูจ์ท่านพิสูจน์ของท่านแล้วก็พิสูจน์แล้วมันก็ไม่ใช่ทฤษฎีเพิ่งเกิดเป็นทฤษฎีที่มีมาหลพระพุทธเจ้ามีมาตั้งไม่รู้กี่ องค์แล้วมหายานนี่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้ามีจํานวนเท่ากับมเมล็ดทรายในมหานาทีมีมาตั้งเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แล้วมันเป็นทฤษฎีที่มีมานานแล้วพระพุทธญาตเท่านั้นคนทิศทางนี้เท่านั้นตระกูลนี้สกุลนี้เท่านั้นที่ค่อยๆสั่งสมเรียนรู้แล้วก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาแต่ไม่ได้หมายความว่าสกุลนี้จะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสจะไปเรียนสกุลอื่นนะบางครั้งไปเรียนเมือง น, นอกเหมือนกัน ไปเรียนสกุลอื่นชั่วคราวชั่วชาติเป็นชาติเป็นครัง้เงเป็นคราวบ้างเมืองินไปเรียนศึกษาเป็นโลกวิทูบ้างเป็นอะไรอะไบ้างศึกษาบ้างเหมือนกันนี่ก็กระจายความรือเล่าอะไรให้ฟังให้ละเอียดละเอียดขึ้นจะได้เข้าใจอะไรลึ ก, ลกขึ้นแล้วก็จะได้ไม่ประมาณหลายอย่างหลายอันที่เราเข้าใจยังไม่ดีแล้วก็ประมาณแล้วก็คนสอน ห, หลายแบบมีเยอ ะ, อ, ะอย่างผู้ที่ได้เคยไปเรียนอย่างสายเจโตสายจิตบางที่ว่าเนี่ยดูถูกสมมุติ อย่าดูถูกอย่าประมาทแล้วเราจะต้องเนียนขึ้นดีขึ้นทุกอย่างมันจะอุปการะกันหมดเมื่อเราทําทั้งสัจจะที่เป็นสมมุติทําทั้งสัจจะที่เป็นประมาทเรารู้หลักแล้วมันไปได้กันเสร็จแล้วหมูก่กลุ่มของเราก็มีอีกต่างคนต่างดีขึ้นมามันก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วมันก็จะเร็วขึ้นดีขึ้นมีอะไรอะไรที่ยังไม่สมบูรณ์มันก็จะสมบูรณ์ขึ้นมีอะไรละเอียดมันได้ละเอียดขึ้นมันก็จะเสริมละเอียดขึ้นไปอีก มันก็ฐานที่มันมีฐานฐานที่มันมีฐา น, นมันก็ไปได้จริงไม่ใช่มานั่งสมมุติเอาไปได้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สูงด้วยกันมันก็ไปสูงด้วยกันไม่ได้จะต้องมีสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นด้วยกันมันถึงจะไปสูงขึ้นสูงขึ้นไดนะ้มีความละเอียดละออยอย่างนั้นนะนี่เราก็จะต้องพยายามพากเพียรนะต้องทําให้ดีขึ้นนะอาตมาไม่นึกว่าสมพง์กับิสุขจะ แมจับอะไรแต่ออไรเก่งนะเอาภาษาอาตมามาใช้อาตมาที่เป็นคนถึงขนาดกัดไม่ปล่อยมันจะเบานะหยาบหน้าดูเลยกัดไม่ปล่อยอกัดไม่ปล่อยในหยาบหน้าดูคือยึดมันม่นถือมั่นจะเป็นภาษาทางธรรมมันนะยึดมั่นถือมันม่นหน้าดูเลยกัดไม่ปล่อยนี่จริงโดยสมมุติอาตมามีสมมติ กัดไม่ปล่อยนี่เป็นสมมติยึดใช่ไหมอาตมาจะยึดนะอาตมาจะสร้างอาตมาจะทําำกัดไม่ปล่อยอาตมาจะทําทําจริงๆแต่ดูประมัตย์กัอาตมานี่ยยึดหรือไม่ยึดมันเรื่องของใจของอาตมาประมัตย์กัอาตมาอาตมาจะใช้อาตมาจะยึดจะนิยึดจะสร้างจะสันจะเป็นอะไรอาตมาจะปล่อยหรือไม่ปล่อยก็เรื่องอาตมาจะปล่อยได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของอาตมาอีกใช่ไหมแต่คนโลกเขาก็อะไรก็เป็นนั้นน่ะเขาเองก็ทําไม่ได้สองด้านไม่ได้สองส่วน มันก็เป็นไปมันก็เป็นไปด้านเดียวที่พรพุธธทธเจ้าได้ทั้งสองด้านด้านนี้ด้านนี้ ส, สัจจะของพระุทธเจ้าที่มีทั้งสองด้านทั้งสมมุติและประมานั้นปรมาท์ดีแล้วสมมุติเราจะเป็นอะไรก็ได้รอบตัวปรมาท์ดีแล้วเนี่ยบอกแล้วว่าแม้แต่ที่สุดจะเกิดก็ได้จะตายก็ได้ปรมาท์สมบูรณ์แล้วจะเกิดก็ได้จะตายก็ได้เลือกเอาสบายๆาจะเกิดต่อก็ได้ไม่เกิดต่อก็ได้สูญไปเลยก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ มันเป็นเรื่องเมื่อได้แล้วมันก็ได้ทุกอย่างเมื่อยังไม่ได้มันจะไปเอาสิ่งที่ยังไม่ได้นั้นมาได้ยงไงสิ่งที่ยังไม่ได้ก็ต้องฝึกเพียรเราจนได้แล้วมันก็จะได้สมบูรณ์ทุกอย่างคําพูดนี้ก็เป็นภาษาพูดเมื่อคุณฟังไปถ้าคุณยังไม่ถึงคุณก็ได้แต่ฟังแต่ถ้าคุณได้จริงแล้วคุณจะก็จะรู้ว่าเออเราทําอะไรได้แค่ไหนเราก็ควรจะทำอ้าวทีนี้มาขยายความอะไรตจะใดให้เพิ่มเติมและทีนี้ก็มาสู่ อาณาปานสติภาวนาอานจตุกะที่สองนะจตุกะที่หนึ่งั่นเรื่องกายกายานุปัสสนาต่อมาเวทนานุปัสสนาปิติปิติปฏิสังเวทีอัศ ส, สิสามิตอัศ ส, สิสามีติสิกขิเพรานั้นย่อมทํา ในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจักหายใจออกคําว่าจักหายใจออกจักหายใจเข้านี่จะมีกํากับไปอยู่ตลอดเวลานะคือคําว่าอัสสสิสามีตินั่นแหละเป็นการหายใจหายใจออกเพราะฉะนั้นเราดูตรงนี้เราก็จะได้เห็นได้ว่าอัตสเนี่ยแปลว่าหายออกหายใจออกปัตส์แปลว่าหายใจเข้านะปัตส์อันหลังในปัตส์ปีติปฏิสั่งเวทีหมายความว่า สภาพรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติมาปฏิสังเวทนะีการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกก็อัศ ส, ะนะศ ส, สิสามิติหายใจเข้าก็ปัสสิทสามิติสิกนขะินั่นคือการศึกษานะเราย่อมศึกษาในบทศึกษานั้นสิกขิปิตนะิก็เป็นเจตสิกเป็นอาการของเจตสิก ตัวสำคัญทั้งดุนเลยโซสโซตวะอสสติสโตรปรสสติเนี่ยนะจะต้องมีสติเป็นตัวหลักข้อที่หนึ่งเลยหายใจออกหายใจเข้าเมื่อจะเอาอานาปานาสติซึ่งเป็นสูตรว่าด้วยลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็ต้องมีสติเป็นตัวหลักเสร็จแล้วก็รู้ศึกษาข้อที่สองทีฆะนิธีคังเนินยาวนะหายใจออกยาวทีคังหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่ายาวหายใจออกสั้นให้รู้ว่าสั้นรัสะหรือรัศสัง หายใจออกสั้นหายใจออกยาวนี่เป็นข้อที่2นีมีสติให้รู้นะข้อที่3ก็ให้รู้เฉพาะเฉพาะซึ่งกายนะกายทั้งปวงเนี่ยสัพพกายะปฏิสั่งเวทีคือรู้พร้อมเฉพาะอ่าซึ่งกายทั้งปวงสัพพกายะในกายทั้งปวงหายใจออกเราเนรู้พร้อมเฉพาะในหายใจเข้านะเฉพาะกายทั้งปวงหายใจออกหายใจเข้านะอัศกัปสะ อัดสากับสัข้อที่สกายสังขารการเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้สงบประงับปัดซ้ปัดซ้ำพยังในสงบประงับกายสังขารังให้รู้สภาพที่มันเราสงบประงับเมื่อวานนี่ก็ยังอธิบายแล้วว่ากายสงบระงับไม่ใช่กายสันเทอมแล้วก็สงบระงับคือความเรียบร้อยของกายแล้วเรานั่งแล้วก็มันจะโยกเอ็นไปเอ็นมานี่ก็คือความไม่ค่อยสงบประงับนะ ก็ได้พูดเมื่อวานนี่นากายนาะให้รู้ดันด้านนอกก่อนทีนี้ต่อมาก็เวทนาด้านในนะเพราะฉะนั้นปิตินะข้อห้านี่หายใจออกหายใจเข้าเป็นหลักอยู่ตลอดไปหมดแหละเราไม่ต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจนะจะต้องมีการหายใจอยู่ในหายใ จ, ยจออกหายใจเข้านั่นแหละทีนี้ก็มีปิติเสริมมานี่เรียกว่าเป็นเจตสิกหรือเป็นเวทนานะต่อมาก็เป็นสุขนะเป็นอารมณ์พวกนี้ป็นอารมณ์ปิติอารมณ์สุขนะ อารมณ์ปิติอารมณ์สุขพวกนี้ท่านก็เรียกว่าจิตสังขารอย่างหนึ่งเหมือนกันมันเป็นอารมณ์นะในจิตสังขารนะในข้อที่สามใจิตตั้งข้ารังปฏิสังเวทีปฏิสังเวทีการคือรู้พร้อมเฉพาะจะใช้ไปตลอดและทั้งกายนี่ก็มีปฏิสังเวทีเวทนาก็มีปฏิสังเวทีนะไปถึงจิตตานุปัสสนาก็มีปฏิสังเวทีทั้งนั้นแหะจิตตั้งขารเป็นจิตตสังขารฮะใจออกฮาใจเข้าอย่าต้องรู้ในข้อที่แปดก็ รู้ทำไม่จิตสังขาร น, นั้นระ ง, งับอันแรกนะ่ะกายสังขารระ ง, งับอันที่สองทำให้จิตสังขารระ ง, งับสรุป ง, ง่ายงายก็คือทำนอกทำใ น, นข้างนอกก็เป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องขององค์ประชุมที่มันจะหยาบอะไรก็ทำให้มันเรียบร้อยพอเหมาะพอดีถ้าจะทำแบบสมาธิฤๅษีจะทาแบบเจโตสมถะเราก็ดูอา้าตั้งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรง แล้วก็ดำรงสติคงมัน่นหายใจเข้าหายใจออกเริ่มต้นก็ดูไปทีเดียวดูองค์ประชุมดูกายจนถึงกายสังขารกายทั้งปวงดูกายทั้งปวงสัพสพกายะดูกายทั้งปวงดูกายสังขารอันแรกเท่านั้นเองในหมวดที่หนึ่งหมวดกายานุปัสสนา หมีสติสองดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกและดูสั้นดูยาวข้อสองลมหายใจออกยาวเข้ายาวลมหายใจเข้ายาวสั้นยาวหรือว่าสั้นหรือยาวอะไรอยู่แค่นั้นอ่ะมีสั้นกับยาวมีออกกับเข้าเจี่กับลมหายใจข้อสองข้อหนึ่งสติจะมีลมหายใจเข้าใจออกอยู่ข้อสองสั้นยาวกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกข้อสมก็ดูสรรพองค์ประชุมสรรพกายะทั้งปวงกับ กายสังขารนะข้อสกายสังขารข้อสีอ้ยข้อสกายทั้งปวงข้อสกายสังขารส่วนมาถึงเวทนานั้นก็ดูปิติดูสุขคือยอกตัวอย่างจริงๆมันมีมากกว่านั้นนะอารมณ์มันมีมากกว่านั้นทีนี้ในเรื่องของฌานนั้นท่านเอาปิติเอาสุขเท่านั้นมาใช้ถ้าเราระงับนิวรณ์ไดนะ้เราระงรับนิวรณ์ได้เราก็จะรู้สึกว่าเราได้ดีมันจะดีใจ มันจะดีใจอารมณ์ดีใจนะั่นเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งเป็นความฟูใจ ย, นะยังมีอุปกเกเรสซ้อนแต่มันได้ดีขึ้นมาเออสงบได้นะในทำความสงบได้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วเราก็ทําสงบได้นี่เราพูดถึงเรื่องของสภาพสมาธิแบบฤษีก่อนนะสมาธิแบบอานาปานาสตนะิแล้วก็ดูแล้วฏิทาได้ กายดูนอกแล้วนัง่งตรงตรงดีไม่เอ็นไม่โอนไม่ซัดสายไม่วุ่นวายอะไรนะข้าขงนอกกองประชุมมันก็ดูมันหยาบมันก็ง่ายเข้าใจแล้วที่นี่ก็เขาไปข้างในดูข้างในว่าเออเราทําได้แล้วนะจุดมุ่งหมายของเราก็คือจะสงบประงับนิวรณอ่าอันนี้ถ้าไม่ได้บอกไว้ล้ไว้ไวในฐานที่เข้าใจว่าเวลามันทําฌานก็จะต้องจิตอยู่ที่ฤาษีเขาเอาอย่า ง, งานั้นแหละเอากสินเอาลมหายใจไม่ยุ่งอะไรไม่คิดอะไรไม่ ปรุงอะไรเพราะฉะนันนิวรณ์คืออะไรไม่รู้แต่ก็คือมาอยู่เป็นหนึ่งกับอารมณ์ใจนะอย่าคิดจะนึกอะไรอื่นๆนอย่างนี้เขาก็สอนอย่างงี้ถ้าพูดถึงเรื่องฤาษีก็ก็แค่นี้แตข่ของพูดอธิบายรอบแม้จะไม่พูดว่านี่นก็ต้องอธิบายให้รู้ว่าอารมณ์ของนิวรณ์คืออะไรกายก็ดีแต่ก็พอรู้แหะที่จริงฤาษีเขก็ต้องสอนเหมือนกันแหละนิวรณ์ห้างกามคืออะไรพยาบาทคืออะไรทินมิทัอุถัมรักกุฏจัวิจิกิจชาคืออะไรเขก็ต้องอธิบายอยู่เหมือนกันนั่นแหละ ยากให้มีอาการอย่างนั้นอารมณ์อย่างนั้นเมื่อไม่มีนั่นแหละเราก็ว่าเราจะรู้ตัวเองว่าเราได้ดีนะเราทําให้นิวรณ์ตายไปแล้วนะวางแล้วนะอยู่กับลมหายใจเข้าออกถึงนั้นเลยนะโอ้ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวสั้นยาวอะไรก็ดูมีปิติละตอนนี้ได้ดีได้ดีขึ้นมาคนที่เริ่มใหม่ๆจะเห็นชัดคนที่เริ่มหัดใหม่ๆทำได้โอ้ได้ดีมันจะดีใจมันปิติมันได้ดี เพราะฉะนั้นปีติเป็นอุปกิเลท์ที่มันฟูใจได้ดีปลื้มใจมันจะมีชัดคนใหม่ๆคนที่ยังไม่เคยพอทําได้แล้วอดีและสุขก็จะชัดสุขนี่คืออารมณ์สงบระ ง, งับไม่ใช่สุขอย่างโลกียสุขเป็นวูปัสโมโสุขหรือเป็นสุขที่ปราศจากนิวรณ์ไปสุขที่สงบระ ง, งับเป็นวูปัสโมโหรืออุปสมโมนะสุขอย่างนี้เป็นปัต สัต t h เป็นสุขที่ปัดสัทธิเป็นสุขที่สงบนะคุณก็จะได้รับอารมณ์นั้นก็รู้อารมณ์นั้นให้ได้ที่จริงถ้าไปอร่อยนะมันเป็นเวทนาเป็นรู้สึกเป็นรู้สึกสุขรู้สึกฟูใจปิติเป็นเวทนารู้สึกฟูใจรู้สึกสุขขอเ ร, เรื่องนะปิตินะั้นเป็นฟูใจที่เราได้ดี เราได้อาการอย่างนี้เราลดอย่างนี้มันละเอียดขึ้นไปอย่างนี้อารมณ์ของทางปรมัตดแล้วเสร็จแล้วสุขโอ้ว่างเบาง่ายสุขมันก็เป็นรสที่พอใจอีกอย่างหนึง่งดีใจที่เราทําได้ดีรสที่เราได้เสวยอารมณ์ว่างสุขเพราะว่างๆ ง, ง่ายๆเบาๆเป็นอารมณ์อย่างไรเป็นอารมณ์ปสทธิเป็นอารมณ์สุขที่สงบระ ง, งับ บูปสมโมสุขอย่างนั้นไม่จะสุขเพราะเราได้สมใจที่เราจะเสพโลกโลกเสพรสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่จริงอันนี้ก็เป็นสัมผัสในนะสุขนี่สงบระงับนี่ก็เป็นสัมผัสทางในสัมผัสที่ในจิตมันว่างมันสงบข้างในอร่อยยังไงจะดูดดื่มติดยึดยังไงเรียนรู้นะนี่เป็นจิตสังขารจิตสังขา น, นี้ เพราะว่าเราไปเอาความชอบเราได้ดีแล้วก็มีความชอบที่ได้ดีดีใจที่เราได้ดีมันก็มีกิเลสชนิดปีติดนั่นแหละเป็นอุปกิเลสเข้ามาปรุงร่วมอันนี้ให้รู้แล้วก็เดี๋ยวจะละออกแยกให้ออกไปติดใจที่สงบระ ง, งับแล้วก็จะติดอยู่ที่สงบระ ง, งับนั้นก็ให้รู้เป็นสังขารนะ อันพวกนี้เป็นจิตสังขารนะเพราะฉะนั้นจะต้องทาจิตสังขารให้สงบระงับนะประสึมพยังจิตตะังค่ารังนะรู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารรู้ในจิตสังขารแล้วก็วิเคราะห์วิจัยจิตสังขารให้ออกแล้วทำจิตสังขารให้สงบระงับลงไปอีกมันมีความดีใจมาประกอบมีปิติมาประกอบก็สงบระงับปิติ ลดความฟูใจลดอุปกเล์ที่ปิตินั่นแหะนะถึงจะเป็นชั้นสองชั้นสามต่างที่เราเคยเรียนมานะที่เคยเรียนมาว่าเมื่อปิติสงบระ ง, งับก็ขึ้นสู่ชั้น 3. สามชสามก็ยิ่งสงบยิ่งสงบยิ่งวางยิ่งเบาติดก็ไปอีกก็เป็นสังขารติดสงบระ ง, งับก็เป็นสังขารเพราะฉะนั้นจะต้องทำให้สงบระ ง, งับกว่านั้นอีกฟังให้ดีนะ เขาว่าระงับซ um. ia> hmm. ้ํากันแล้วตอนนี้คุณระงับปิติได้จิตก็สงบระงับลงไปอีกมันก็ยิ่งสุขยิ่งเบายิ่งสนิทเตียนลงไปอีกเป็นความปัจสัทธิเป็นความสงบระงับลงไปอีกเป็นสุขที่สงบระงับลงไปอีกคุณถ้าแยกสังขารว่าอาการที่ติดไปติดใจสงบระงับนี้ได้แต่คุณสังขารคุณเองคุณมีอาการอารมณ์ที่คุณไปชอบจิตสังขารนี้และคุณก็อ่านไม่ออกและคุณก็พยายามแยกจิตหรือพยายามทําจิตสลัดคือนึรกลับ อย่าไปติดจิตสังขารคุณทำไม่ออกแล้วเป็นฤาษีตายไปเลยติดตังฝังไปเลยเนี่ยมันลึกซึ้งอย่างนี้เพราะงั้นคำว่าจิตทาผู้ทาจิตสังขารให้ระงับทาจิตสังขารให้ระงับนั้นแม้สุขที่มันเป็นปัสธัยเป็นความสงบระงับและเราก็ไปติดความสงบระงับเราต้องระงับความที่ไปติดสงบระงับนั่นอีก ไม่มีภาษาจะเรียกเนี่ยก็คือจะต้องไม่เอาความติดนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงถ้าติดมันคืออย่างนี้คุณก็ต้องกลับแล้วต้องก ร, ก, รกระเด็นออกต้องห่างออกพรากออกจากออกจากอันต์ น, นี่เป็นเป็นลักษณะของสภาวะภาษาไม่มีถ้าภาษาก็จะแช้ภาษาซ้ําต้องระ ง, งับในความระ ง, งับต้องระ ง, งับจิตที่ระ ง, งับ จิตสังขารที่ระ ง, งับคือคุณระ ง, งับปิติได้มันขั้นหนึ่งเท่านั้นเองทีนี้มาระ ง, งับแล้วคุณก็จะต้องจะมาติดใจในระ ง, งับนี้อีกไม่ได้จะจะแบบว่าไม่ระ ง, งับก็ไม่ได้อีกเพราะว่าต้องให้มันสงบอยก่อนนั่นอีกสงบก็คือไม่ติดไอเจ้าเนี่ยไม่มีภาษาเรียกแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นนี่เป็นความลึกซึ้งขึ้นไปอีกเอาไปเลยนั่นลุยไปหมดทั้งจิตทั้งทําให้มันหมดสักันแล้วกันวันนี้ มันหมดไปเลยนะจิตตาโนปัสสนานะจิตปฏิสั่งเวทีก็มันอย่างกล่านั่นแหละคือความรู้พร้อมเฉพาะในะในลูกจักจิตทีนี้ศึกษาจิตซ้อนกันไปอีกว่าอย่างงั้นนะหายใจออกหายใจเข้าในอกอเก่าเนี่เหมือนกันหมดหายอาอกหายใจออกให้ยเข้อภิปโมทยัง เ, เป็นเรื่องของจิตและแตอนนี้มันคล้ายๆกับปิตินะอภิปโมทยังนี่จิตปราโมทจิตปรีดีปีเปรมอะไรเนี่ยอ่า เราก็ทําจิตให้มันขึ้นมาจากระงับตอนนี้จิตปราโมทจิตยินดีแต่มันก็ไม่ใช่จิตที่เป็นเหมือนปีติเหมือนยินดีอย่างนั้นอีกแล้วมันไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรกันภาษาบาลีเขามีเขาก็เขาเขา้เข า, เขาใจกันเราไม่ใช่บาลีก็เอามาอธิบายเป็นภาษาไทยอธิบายก็ไม่ออกมันก็เอาภาษามาใช้สมปีติก็แปลว่าความยินดีปราโมทก็แปลว่าความยินดีไม่รู้จะเอาอยัางไงกันแน่เพราะภาษาษไม่ภาษาไทยไม่มี แต่ภาษาบาลีเขาตั้งสรร์เฉพาะไว้เลยว่าปิติตางจะปราโมทอย่างนั้นนะแล้วตายยังไงอ่ะมาแปลเป็นไทยก็แปลไม่ได้เพราะไทภาษาไทยมันมีแค่นั้นนะเพราะงั้นเราก็อธิบายเอาอย่างที่อาตมากําลังจะอธิบายใช้ภาษาไทยอธิบายนี่แหละนะเพราะงั้นเราจะย่อมมาทําในบทศึกษาว่าเราจะทําจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่นะนี่มีวงเล็บไว้ด้วยแล้วว่าปราโมทยังคือทําจิตให้ราเริงสํานวนพระแต่ปิดก พอท่านหมายความว่าเบิกบานใจนะผู้ทาไอ้นี่มานี่ก็ไปค้นมาหลายตําราตําราพระเต็ปิโดกว่าทําจิตให้ร่าเริงตําราโพธิรักว่าความเบิกบานใจคือทําจิตไม่ให้มันซึมทําจิตไม่ให้มันทื่เข้าไปแล้วก็ให้มันติดนิ่งแน่เข้าไปกับความระ ง, งับแล้วก็ระ ง, งับกันต่อไปอีกไม่เอา้าทําจิตให้ฟูขึ้นมาอีกแต่ไม่ใช่ฟูอย่างปรีปรติอีก มันไม่รู้จะใช้ภาษาไทยว่ายังไงภาษาไทยมันแปลว่าความยินดีปราโมก็แปลว่าความยินดีไม่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นอีกจะพูดกับคุณว่าไงคือไม่ให้จิตมันซึมพอจะสงบระงับสงบสงบระงับปิติก็คือจิตมันฟูใช่ไหมลักษณะหนึ่งมันฟูมันชื่นใจมันระเริงมันระเริงก็มันเป็นอุปกิเลสอย่างนั้นน่ะคุณปฏิบัติแล้วคุณก็จะรู้เราก็จะระงับอันนั้นได้พอระงับอันนั้นได้ก็เป็นจิตสงบระงับ และคนกลับไประ ง, งับคือจะไปติดระ ง, งับก็ไปใหมดิ่งเข้าไปอีกก็ไม่ได้ต้องแปลจิตสังขาร น, นั้นอีกให้มันระ ง, งับเปลี่ยนยังไงล่ะอ่านจิตนี่แหละในบทที่มาจตุกาที่4 3, นี่เขาเอาเจตุก็จตุกาที่สเนี่ยอ่านจิตนั่นอีกดูให้ดีๆเปลี่ยนให้เป็นประโมทยังทับศัพท์มันสเสลยเปลี่ยนอย่าลืมว่าประโมทยังไม่ใช่ปีติปีติเป็นอุปกิเลส เพราะฉะนั้นไม่ใช่ปิติอ ะ, อะไรนะแต่ในปิตินี้ถ้าเข้าใจว่าความได้ดีที่อาตมาพยายามใช้ภาษาไทยแล้วนะก็จะไปทิ้งความได้ดีนั้นแต่ต้องทิ้งอุปกิเลสที่เป็นอาการที่หมายเอาอะไรอีกอันนึงว่าปิติคือความฟูใจนั้นที่เป็นลิงโลดดีใจยินดีตื่นเต้น น, นั้นระงับเสียเสร็จแล้วก็ทําให้จิตใจมันขึ้นมาเบิกบานให้มันให้มันตื่น อย่าให้มันยิ่งซึมเศรา้าอย่าให้มันมันตื้อ ม, มันสงบกอนไปอีกให้ตื่นโพรงให้ไปจิตที่อาศัยขนาดหนึ่งที่เป็นชื่นชมขนาดหนึ่งไม่รู้จะเอาภาษาไทยอะไรมาเรียกกันนะให้มันรู้สึกว่ามันเออมันให้รู้ดียินดีสดชื่นขึ้นมาขนาดหนึ่งนะสดชื่นขึ้นมาขนาดหนึ่งอภิประโมทยังเรียกว่ามันจะต้องอภิเนี่ยเขาต้องใช้คําว่ายิ่งนะ ถ้าประโมทยังบางทีก็คล้ายๆกันกับปีติอะประโมทชุ่มชื่นยินดีปรีดาอะไรเนี่ยคล้ายๆกันอะอภิประโมทยังก็หมายความว่ามันพิเศษอภิมันชื่นขึ้นมาในระดับอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นเจตนาของเราเป็นเจตนาของเราถ้ายังฟูใจมันไม่ได้เจตนาหรอกมันเป็นประเภทที่ว่า มันลิงโลดนะมันเกิดกิเลสนะ่ยแลเราก็รู้ว่ามันเกิดกิเลสมันอู้ดีใจจริ้งนะมันก็เกิดอาการอย่างงั้นทีนี้พออาการปัปอภิปมทธยังเนี่ยเราให้มันยินดีขึ้นมาให้มันเข้าใจมันดีนะแล้วก็พอใจยินดีในสิ่งนี้อย่าเพิ่งปล่อยให้มันเฉยเฉยไปเลยวางอะไรไปมันไม่ไหวแล้วมันจะสร้างอะไรต่อไม่ได้นะทำอย่างนี้แหละอัตมาเคยแปลอันนี้อีกสมาธหั่งสมาทหั่งจิตตังใน ในประทานุกรมบาลีเขาก็แปลว่าสมาธิซ้าเข้าไปนั่ น, นองอาตมาก็ว่าโอ้ยมันจะไปทำยังไงมันวนภาษามันหมดแล้วสมาธหั่งก็แปลว่าสมาธิอีกสมาธิก็แปลว่าสมาธหั่งไม่รู้จะทำยังไงทาจิตให้เขาานะเนี่ยเาแปลให้ทำจิตให้ตั้งมั่นนี่ก็คือสมาธินั่นเองที่จริงสมาธหั่งนี่เป็นจิตที่แข็งแรง ให้มันได้อย่างไหนอ่ะได้อย่างที่เราว่าให้เป็นอภิปโมทยังนั่นแหละให้มันสดให้มันยินดีให้มันรื่นเริงเบิกบานอยู่อย่างนั้นนะขนาดนั้นแหละอย่าให้มันร่าซ่าเกินกว่านั้นอย่าให้มันวูบวาบมากกว่านั้นให้มันได้ให้มันเป็นฐานอาศัยฐานอาศัยอย่างนั้นอ่ะอาตมาใช้คําว่าจิตสดจิตหนุม่มนะจิตสดจิตหนุม่ม จิตผ่องใสในระดับอย่า ง, ง น, นั้นนะฮะอะไรกรชุมก็ช่วยกระชุมก็ช่วยก็ได้เอาเอาพยายามเอาภาษาไทยมาใช้นะสดอาตมาใช้คําว่าสดหรือหนุ่มโดยอาตมาพยายามจะมามองที่พยัญชนะคําว่าทหารนี่แปลว่าหนุ่มทหารเนี่ยทหารเนี่ยแปลว่าหนุ่มถ้าอาตมาไปวิเคราะห์แยกคํานี้ออกมาไปเดี๋ยว พวกปเรียนก็เอาเล่นงานเลยเพราะเขาไม่รู้ไปเอาวยากรณเขาจะไปเอามาจากรากสัพท์อะไรอาตมาไม่รู้แล้วเขาก็จะไปยุคสมาทัธิมาจากรากศัพนู่นนี่ปเดี๋ยวไปชกกติอาตมาไม่อยากจะชกกับเขาเพราะอาตมายอมแพ้แล้วเพราะอาตมาไม่มีตำราไม่มีระบบที่เขาเรียนกันมานานนับปีอาตมาจะมานั่งเดี๋ยวนี้อาตมาไม่มาสอนวิชาไวยากรณไม่ได้มาสอนอักษรศาสตร์เพราะงั้นอาตมาเป็นแต่เพียงอาตมาอาศัยสิ่งเหล่านี้เท่านั้นแล้วก็อาตมาก็อาศัยที่มีสภาวะรองรับ มันมีจิตเบิกบานร่าเริงหนุ่มสดใหม่อออยู่อย่างงั้นนะจิตออจิตออย่างนั้นนะจิต อ, อๆอย่างนั้นน ะ, ะให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่ต่อเนื่องจึงเรียกว่าแข็งแรงตั้งมั่นจะเรียกว่าสมาธิแปลความหมายว่าตั้งมั่นยืนยงยืนหยัดอยู่อย่างนั้นก็ได้ให้แข็งแรงหนุ่มสดแข็งแรงอออยู่อย่างนั้นอย่าง <mm> ที่เราว่าให้มันเบิกบานยินดีอย่างนั้นนะโดยเราเจตนา โดยเรารู้ว่าฐานนี้เป็นฐานอาศัยจิตนี้เป็นจิตอาศัยและเราก็ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นมันแม้แต่ที่สุดเป็นอุเบกขาเรายังไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นจิตปิติปราโมทไม่จะปิติแล้วต้องมาเรียกปราโมทปราโมทอภิปโมททะยังอย่างนี้จิตสมาธาหั่งอย่างนี้เราก็จะไปติดไปหลงมันไม่ได้เหมือนกันเราทําจิตที่อาศัยของเรานะวิโมทจะยังเสร็จแล้วท่านก็เตือน วิปโมจะยังจิตจะจิตตันแล้วแม้กระนั้นเราก็จะต้องเอาอาศัยแต่มีหางตวัดปล่อยอยู่ปล่อยอยู่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราจะเป็นลงติดยึดมัน่นยึดมัน่นแต่อาศัยเห็นไหมมันอธิบายยากยากพอเข้าใจนะ You understand? น huh? ะ Are อยู่เ e a r เข้าใจไหมชัดเจนนะคือมันอธิบายยากนอธิบายชานอธิบายสมาธิอธิบายวิมุตต์อะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งถ้าไม่มีสภาวาละเราเราหลงทิศหลงทางเลยแล้วเอายิ่งเอาแต่พยัญชนะนะอัตมาล้วทุกวันนี้ถึงว่าอัตมานี่พูดกันจริงๆนะแต่ตอนแรกที่อัตมาทำนะั้นมันเป็นความขนองที่ทาเขียนหนังสือทางเงพกพมันขนองตรงที่ว่า ไอ้พวกภาษานี่เราไม่ต้องไปเรียนนะเราก็ใช้ภาษาตามภาษาของเรานะที่จริงคําว่าปภาษานี่ยมาจากคาว่าภาษานะตามภาษานี่ก็คือตามภาษานั่นแหละตามประษาทําอะไรตามภาษ้ทำตามภาษานั่นแหละตามภาษาของเรานี่แหละภาษาเนี่ยมันบอกมันสื่ออะไรทั้งนั้นในโลกนี้มันใช้ภาษาคนนี่มีภาษาสัตว์มันก็มีภาษาแต่ภาษาสัตว์มันน้อยมันไม่ฉลาดเหมือนคนคนก็มาสมมติ หนักเข้ากันหลายชาติหลายภาษาสมมุติกันเข้าใจกันโอ้โหจนกระทั่งปวดมองทุกวันนี้เพราะมีหลายภาษาจนมีคนคิดศาสนาที่เขาคิดว่าจะต้องให้มีศาสนาเดียวศาสนาบาไฮเขาคิดเขามีภาษาของเขานี่ศาสนาบาไฮเนี่ยเขาสร้างศาสนาสร้างภาษาเขามาภาษาหนึ่งเลยแล้วเขาจะให้ทั้งโลกนี่เป็นศาสนาเดียวกันและใช้ภาษาเดียวกันหมดทั้งโลกเพราะมันยุ่งกันเพราะคนละภาษานี่แหละขณะภาษาเดียวกันยังเถียงกันเลย บวดการกล่าวไปใหญคนละภาษามือปวดมองที่สุดแต่ช่วยไม่ได้พระเจ้าอยากจะบันดาลให้ใช้คนละภาษานี่นมันต้องไปโทษศาสนาคริสเพราะศาสนาคริสเนี่ยทำให้แตกกระจายล้มความสร้างไอ้อะไรกันสร้างไ อ, ไอ้อะไรยะไอ้สูงสูงขึ้นไปหนีน้ําท่วมพอน้ําท่วมโลกก็สร้างกันหนีน้ําท่วมเสร็จแล้วพระเจ้าก็บอกไอ้พงศ์นี่อวดดี เลยทำให้พวกนี้หักหมดเลยกระเจนกระนกระสายไปแตกไปทั่วโลกเลยให้พูดกับคนละภาษาด้วยนี่โทษพระเจ้าพระเจ้าโทษทให้เป็นบรรดาลให้พูดกับคนละภาษาอ่ก็เลยยุ่งกันใหญ่เลยนะสุดท้ายนี้แหละเมื่อเรารู้จักจิตรู้จักอารมณ์ต่อเนื่องมาจากเวทนารู้จักความรู้สึกรู้จักปีติรู้จักสุขรู้จักอะไรแล้วก็ต้องเขอดใจให้ได้ว่าเราต้องถอนออกต้องอะไรออกนะ แต่ก็ต้องปรับปรุงจิตให้มีอภิปโมทยยังทำให้แข็งแรงทำให้ตั้งมัน่นทำให้มันใหม่สดหนุ่มสดอยู่อย่างนั้นเสมอทำให้เป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นน่ะอาศัยทำให้ชํานานทำให้มัน่นคงทำให้ดีทำให้ลักษณะที่คุณอาศัยของใครของมันบางคนอาจจะต้องอาศัยมากๆหน่อยบางคนจะต้องอึกอักหน่อยเพราะว่าแม้แม่งงั้นมันอ่อนไปมันอาศัยไม่ได้มันมันเรามันหยาบก็ต้องอาศัยหยาบ คนหยาบ ก, ก็จะต้องอาศัยปรุงอภิประโมทยังที่หยาบหน่อยถ้าคนที่ไม่หยาบคนที่ละเอียดก็อาศัยละเอียดหน่อยแค่อาศัยละเอียดละเอียดนิดนิดชื่นนิดนิ ด, น ด, นดก็พอแล้วบางคนก็มันไม่มีภาษาไทยที่อื่นที่พูดแล้วนะ่าจะว่าสดว่าชื่นอะไรก็ตามใจคนนะั้นคนเข้าใจว่าทําใจเบิกบานทําใจสดสดชื่นชื่นนี่อาศัยแต่เราทนะําไม่ใช่ว่ากิเลสมันมาเป็นเจ้าเรือนเราอยู่เนื้อมันเรากําหนดมัน เราสร้างมันขึ้นมาอาศัยเราต้องรู้ว่าเรามีสมมุติเรามีจิตเรามีเจตสิกเรารู้จักอาการของเจตสิกว่ามีหยาบมีละเอียดมีกลางขนาดไหนแล้วเราสร้างมันมาอาศัยอภิปรมตยั่งอย่างนี้แล้วทำให้มันเป็นขนาดนี้ให้มันสดมันชื่ออย่างนี้อยากให้มันวุบวาบสมาทาให้มันแข็งแรงนมสดอออยู่อย่างนี้อาศัยตามที่เราอาศัยนะ อย่าให้มันเสื่อมอย่าให้มันคลายอย่ายให้มันสำเร็จที่เราเองเราทำได้สำเร็จแต่สุดท้าย ต, ต, ต, ต, ต, ต, ต้องว yeah. yeah. ิโมจยังถึงแม้อย่างนั้นก็จะต้องปล่อยต้องต้องทิ้งนะต้องอย่าไปติดอย่าไปยึดอย่าไปหลงผิดอย่าไปหลงผิดว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นของเที่ยงนี่เป็นของวิเศษนี่เป็นของจะติดตัวติดตนไปนิรันดรไม่นิรันดรเพราะฉะนั้นแม้สุดท้ายก็จะต้องมีความสานึกว่าจะต้องปล่อยมัน จะต้องไม่หลงเป็นเราไม่หลงเป็นของเรา น, นี่คือภาคปฏิบัติจิตเจตสิกเวทนาและเจตสิกหรือจิตสุดท้ายเมื่อคุณอาศัยฐานพวกนี้เป็นขาฐานอาศัยเป็นเครื่องอาศัยในการปฏิบัติจิตจะเป็นอาณาปานสติแบบผืนสีหรือจะแบบปฏิบัติแบบพูดแบบอะไรจะไรเข้าใจความหมายพวกนี้ให้ชัดใช้ได้หมดใช้ได้หมดแม้แต่จะนั่งหลับตานี่ก็ใช้ได้ ให้ใจเบิกบานสดชื่นอย่าไปหองเหี่ยวอย่าไปแห้งคนจนเกินไปให้ไม่มีความเบิกบานร่าเริงพอสมควรไม่ใช่หลงผิดว่าเอจิตเบิกบานไม่ได้เราจิตต้องเฉยเฉยเด้อเฉยดออะไรแห้งอะไรมันไม่มีกำลังต้องมีอภิปมโมทยังอาศัยแล้วก็ทำให้แข็งแรงทาให้จะแปล ว, ว่าแข็งแรงก็ได้ทหารแข็งแรงทหาร ทหาระถ้าเราเคยได้ฟังภาษาที่เราเข้ามาใช้แปลว่าหนุ่มแปลว่าแข็งแรงอยู่อย่างนั้นน่ะตามองค์ประกอบที่มันสมบูรณ์อันสุดท้ายเมื่อเราใช้อย่างนี้แล้วเสร็จนะเราใช้องวงจรคุณภาพของการกรรทาวิธีนี่เป็นความหมายของทฤษฎีความหมายของหลักเกณฑ์ความหมายของการทำใจในใจเข้าใจแล้วนะ เพรามาเข้าใจในใจเพราะฉะนั้นกายก็ข้างนอกที่เราทํามันก็ง่ายกายสังขารองค์ประชุมข้างนอกองประชุมในก็เข้าไปหาในเลยเพราะองค์ประชุมนอกเราจะเอาอยู่แค่ไหนก็ว่าไปเสร็จแล้วมัดสํารวมองค์ประชุมข้างนอกได้เรียบร้อยไม่รู้มันคุณจะเเคร่งขนาดว่ า, ากายสร้างคารังของเราจะจะประชุมกายให้กายสงบระ ง, งับพ ร, พร้อมเฉพาะให้สงบระ ง, งับคุณก็จะให้มันนิง่งขนาดไหนก็ตามใจแต่บางคนไม่เเคร่งครัดนักไม่นิ่งนัก ขยับขยื่นอะไรได้บ้างยิ่งมาเป็นพุทธแล้วขยับขยื่นก็ได้กายสงบระ ง, งับก็คืออยู่ในสัดส่วนที่เราเรียบร้อยไม่ปบวับไม่กระโดดกระเดกไม่โงงชางอะไรให้มันดูสุขุมประนีเรียบร้อยมันก็น่ารักน่าเอ็นดู ด, ดีกว่าสุภาพเรียบร้อยกว่าใช่ไหมก็เอาที่กายที่จิตก็มีเจตสิกมีเวทนาแล้วก็มาถึงจิตเป็นสองขั้นตอนอย่างนั้น สรุปแล้วมาง่ายๆตั้งแต่รู้จักอาการของจิตว่ามันใดดีมันจะมีอุปกิเลตเสร็จแล้วเป็นอุปเกเลสสงบระ ง, งับออกไปเป็นปัจจัทธ่หรือเป็นสุดท้ายสงบระ ง, งับเราจะไปหลงว่าเป็นสุขเป็นความอร่อยเป็นเวทนาชนิดหนึ่งคือสุขเวทนาโดยเฉพาะสุขเวทนาที่เป็นภาวะตัณหานี่เป็นสุขเวทนาภาวะตัณหานะสงบระ ง, งับไม่ใช่รสของทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ตามสมมุติที่เราชอบ แต่นี้ก็เป็นชอบเหมือนกันเป็นรสที่เราสมมติแต่มันอยู่ภวะตัณหาไม่ใช่กาไม่ใช่ตาหูจมูกทิ้งกายแต่ใจเขาสงบงเข้าใจอ่าเพราะงั้นเราไม่ติดแม้แต่อารมณ์สุขอย่างนี้เมื่อมาอ่านจิตวิเคราะห์จิตซ่อนซอนซอนซ่อนลงไปอีกแล้วก็จะทําจิตอย่างไรอ่เพราะอย่างนั้นเมื่อจิตสังขารที่จะสงบระงับอย่างนั้นแล้วก็ไม่เอาอย่างงั้นจนกระทั่งเรามาเข้าใจสภาพที่จะต้องจิตที่มีฐานอาศัยมีอภิปโมทยัง มันก็ทับซัทและสุดท้ายเมื่อคุณเข้าใจแล้วต่อไปในอนาคตคุณก็ไปเข้าใจาเองแล้วคุณมีสภาวะคุณจะอธิบายได้บางคนอาจจะเก่งก็อาตมาใช้ภาษาได้สละสลวยภาษาได้วิเศษก็อาตมาก็ได้นะทำให้คนอื่นเขาเข้าใจนะบางคนอาศัยภาษาอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นอภิปโมวทยังแล้วทาให้มันสมาธหังสุดท้ายคุณจะต้องหลงไม่ได้ต้องวิโมทจะยังต้องปล่อยนะ <c oughs> คุณทําอย่างนั้นแหละ ให้รู้จากกิเลสตั้งแต่หยากร่างละเอียดสรุปเข้าไปหาก็คือนิวรณ น, นอกจากนิวรณก็มีอุปกิเลสและก็มีาการทาใจในใจอย่างที่กล่าวไปนั่นแหละเวทนานุปสนานและก็จิตานุปสนาอย่างนั้นแหละเมื่อคุณทำแล้วคุณก็จะเห็นความจริงว่าอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยง จะทําให้มันเที่ยงยากยากโดยเฉพาะเจตนาที่จ ะ, จะทําให้ได้ดีๆเหมือนอย่างที่เวทนานุปัสนาจิตตานุปนัสฏนาเนี่นี่ละนั่งหลับตาทํำนี่ล่ะมันก็จะยากจะเห็นความไม่เที่ยงโอ้โหจะให้มันเที่ยงมันยากเนาะแล้วก็จะซึ้งความจริงว่าอนนีจานุปัสสีนั่นอย่างหนึ่งความหมายอีกอย่างหนึ่งดูไปหนะ้าในหนังสือนะแต่มาไม่อ่านนะอธิบายไปเลยนะไม่ต้องมาอัศซามีติปัสสิศาสมีติอะไรอยู่อีกนะอธิบายไปเลย นานามณธิรากําไรเพราะว่าอ่านไม่ออกเลยไม่ต้องอ่านเลยฟังได้เลยเพราะในอันนี้จะเห็นอันนี้จังจุดหมายก็คือว่าจะเห็นตามรู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอาอนุปัสสีนะตามรู้ตามเห็นตามเห็นไม่ใช่รู้ประปัศปรสามิติเนี่ยปัสิปัตสัตปัสภาสานแปลว่าเห็นเห็นของจริงตามความเป็นจริงด้วยญาณไม่ใช่เอาลูกตาเข้าไปเห็นใครอย่าไปม้มวนเอาลูกตาเข้าไปข้างในนะ ตามันก็อยู่อย่างนี้แหละหลับแล้วมันมีญาณเห็นเห็นว่าความไม่เที่ยงคืออะไรเราพยายามทําอย่างนี้แหละทําให้เวทนามันเป็นอย่างนี้ทําให้จิตตานุปัสนามันเป็นอย่างนี้มันก็ยากมันไม่เที่ยงนั่นหนึ่งสองให้กิเลมันออกไปเนี่ยแหมมันก็จะออกมันก็ไม่ก็จะเที่ยงถึงเท่าไรเลยนะหรือเราเอามันออกนี่แหละมันชัดเจนอัตมาเคยอธิบายกิเลมันก้อนนี้เท่าร้อยร้อยตีราคาว่ามันร้อยก้อนนี้เนี่ยร้อยหน่วย เราทําให้มันลดลงได้เราทําให้มันลดลงได้นั่นแหละมันไม่เที่ยงหรือร้อยหน่วยเสร็จแล้วเราไม่ได้ทําลดหรอกแล้วไม่รู้ตัวมันก็โตขึ้นโตขึ้นจากร้อยเป็นร้อยห้าร้อยสิบรอยี่สิบมันก็ไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงแบบนี้กิเลสโตขึ้นโตขึ้นแล้วเป็นไงจเจริญไหมไม่จเจริญนะลูกผีผีโตขึ้นมันไม่เที่ยง ไอ้ไม่เที่ยงอย่างนั้นนะมันเรามันเป็นนักศึกษาเราเราต้องรู้ว่าจะต้องให้เที่ยงก็คือให้มะกิเลสลดเมกะกิเลศลดลงลดลงลดลงลดลงนะกิเลสลดลงนั่นแหละเป็นผลสําเร็จของเราเสร็จเราเราทําลายความไม่เที่ยงได้เราทําความไม่เที่ยงได้นะเหมือนพระเจ้าหไหมกิเลสมันจะเที่ยงคือมันจะไม่ไม่ลดลงนะภาษาสองภาษา นี่เวลาลึกซึ้งเวลาไอสิ่งที่มันยากและมันซับซ้อนอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงเพราะกิเลสมันเข้าเพิ่มขึ้นมันไม่อยู่อย่างเก่าไม่เทียงไม่ตรงไม่อยู่อย่างเก่ากิเลสมันเพิ่มขึ้นแล้วมันก็เที่ยงตรงที่มันไม่ตีแตกเลยมันจะมีแต่โตโตโตโตมันไม่มีลดมันเที่ยงนะมันใหญ่ขึ้นเรื่อยเลยมีแต่กิเลสใหญ่ขึ้นเรื่อยเลยเพราะเราต้องตีให้มันแตก ให้มันไม่เที่ยงตรงมันลดลงลดลงลดลงเห็นอันนี้จังตรงที่มันลดลงเพราะความสามารถของเราลดลงได้มากเท่าไรก็ไม่เที่ยงเท่านัา้นนะยิ่งกระทั่งลดลงกระทั่งสูงศูนย์เลยนี่แหละเด็ดขาดทําลายความไม่เที่ยงนั้นได้จนกระทั่งมันเที่ยงจนกระทั่งมันเห็นชัดเจนแล้วว่าแก่หมดแน่แน่หมดอย่างแข็งแรงหมดอย่างผาวรหมดอย่างมั่นคงหมดอย่างจริงๆ จ, จ, จ, จ, จังเลยอย่าง ชัดเจนจ ร, จริงๆเลยต้องเห็นแจ้งรู้จริงเข้าไปให้ได้นี่คืออนิจจานุปัสสีไปหาวิราคานุปัสสีไปหานิโรธานุปัสสีอธิบายจบแล้ว <c oughs> เอาเดียวอปฏินิสข า, าเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอธิบายปฏินิส <c oughs> พอเราเห็นความไม่เที่ยงแล้วเราก็ทําความจางคลายลงไปได้เพราะว่ากิเลสมันความคลายกําหนัด นี่มีในนี้ในนี้มีหมายเหตุให้ไว้ให้ฟังด้วยว่าในพระ ใ, ในพระไตรปิฎกนี้เขามีหลายเล่มแล้วแปลกันหลายจำนวนพระไตรปิฎกบางจำนวนเาก็แปลว่าความจางคลายบางจำนวนก็กแปลว่าความคลายกําหนัดเนี่ไงนี่มีฟุตโนตหน้าสิบเอ็ดนี่มาอไอที่ไอฟุตโนตหมายเลขสอง หมายเลข2นั่นบอกว่าความจางคลายวิราคานุปัตสีวิราคาเขาแปลบางจำนวนก็แปลว่าจางคลายบางจำนวนเขาก็แปลว่าความคลายกำหนัดก็คือมันลดกิเลสนั่นเองจะแปลอีกจำนวนหนึ่งว่ากิเลมันอ่อนตัวลงมันจางลงมันคลายลงมันน้อยลงมันก็เป็นความหมายที่คุณฟังเป็นภาษาไทยเขาเข้าใจได้เห็นความจริงว่ามันคลายลงมันจางลงมาแล้วมันยังไม่หมดนะยังไม่ถึงนิโรดนี่ในขั้นต่อมามันยังไม่ถึงนิโรดนั่นเองขั้นจาก เห็นอันิจังแล้วก็เห็นความจางคลายวิราคารุปัตสีอนันนจางโนบัตสีวิราคานุปัตสีลงมาเรื่อยเรื่อยเห็นบ้างมหมยิ้มทำไมแยแยงนอะไม่ก็เห็นใช่ไหมเห็นบ้างบ้างเดียวสิบตรีถ้าสองบ้างสิบโทสามบ้างสิบเอก เราก็เรามาเรียนแล้วต้องเห็นนะไม่เห็นคุณปฏิบัติทำอยานี้คุณไปไม่รอดหรอกคุณไม่รู้ไม่เห็นไม่เกิดญาณไม่เข้าใจเลยนี่ของเราเองอ่านไม่ออกปฏิบัติไม่รู้ไม่ได้ต้องได้ต้องรู้ต้องเห็นเออมันจางคลายลงในเหตุไหนปัจจัยไหนก็แล้วแต่คุณอาจจะต้องศึกษาต้องเห็นเออมันจางคลายลงมันเบามันอ่อนลงนั่นแหละเห็นวิราคานุปัสีในระดับวิราคารุปัสีมันจางคลายลงลงได้มากมากจนเหลือน้อยๆนๆไปเท่าไหร่มันก็คือวิราคานุปัสสีที่ดียิ่งขึ้นเท่านั้นเอง ที่ฐานที่สองในข้อที่สองข้อที่สามก็นี่โรธานุปัสสีดับหมดจางคลายจากกนกระทั่งหมดกิเลส ด, ดับกิเลสในนี้ก็มีฟุตโนตว่าอีกว่าดับกิเลสบ้างนะดับไม่เหลืออยู่บ้างใช่ไหมในในในเนื้อนี่เเอาเนื้อหาท่านนั้นรวบรวมมาเอาสํานวนว่าเราตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำนะเห็นอยู่เออเมืออม่อไหรเมื่อไรก็ตามเห็นตามดูมันไม่เหลือและว o ย วัวนีอยากไปไหมอยากไปเหรอมันไม่เหลือละวัะอยากไปอีกไหมเออมันไม่เหลือแล้วหนอเออคอยเพาะขึ้นนะมันไม่เหลือแล้วหนออ่มันไม่เหลือแล้วหนอเห็นเมื่อไหรุณก็ตรวจตราดูประจําเห็นด้วยก็คุณก็เห็นของคุณเองนิโรธานุปัสสีตามเห็นความดับไม่เหลือตามเห็นความดับสนิทก็ได้ความดับกิเลสก็ได้ความดับอนุสัยอาสวะก็แล้วแต่คุณจะเข้าใจ เห็นของจริงตามความเป็นจริงอย่างนั้นทีนี้อันที่สุดท้ายปฏินิสคานุปัสสีนี่แหละอาตมาว่าเขาแปลกันมาโดยความไม่รู้โดยความไม่จริงมันคานแยงเรามีสภาวะต่างคนต่างมีอาตมาว่าอาตมามีปสภาวะส่วนภาษานั้นต่างคนต่างมาเข้าใจนะต่างคนต่างมาเข้าใจปฏินิสคาเขาก็แปลว่าสลัดคืนอาตมาก็ฟังภาษารู้สลัดคืนในนี้ก็แปลว่าความสลัดคืนกิเลส ก็มันทิ้งไปจนหมดแล้วสละคืนไปยังบนกลับมาภาษาเก่าสละดคืนกิเลสมื่อคืนทําไมแล้วก็มันดับไปในตัวอยู่แล้วไมันมาตกคืนต้องคืนอะไรแล้วนี่แสดงว่ามาแปลว่าความสละคืนกิเลสเนี่ยแปลโดยที่เราว่าเอาแล้อย่างน้อยเอาคําเขากิเลสมสละคืนมันก็ไม่ผิดหรอกเนาะแต่มันไม่ใช่ขั้นตอนแล้วนี่ขั้นตอนมันดับสนิทไปแล้วคืนไปจนเกลี่ยงแล้วยังมาคืนอะไรอีกอะจะแปลว่าคืนว่าสละดคืนกิเลสก็ได้กลับคืนไปเอากิเลสมาใหม่ จะแปลมันก็ได้นะเอาไปเอาคืนเอากิเลสมาใหม่เอาจริงๆนะแต่กิเลสนี้คุณสละได้แน่ได้ยังดับได้เด็ดขาดมีอาญาสิทธิ์แล้วยังถ้ามีอาญาสิทธิ์แล้วเราก็อยู่เหนือมันเอามันมาใช้เอามันมาใช้เอามันมาใช้นะเอา ม, มาใช้ แต่คุณต้องแน่ใจหน้าว่าเอามันมาใช้แล้วมันไม่กลับฮเห็นไหมไรพวกคณะละครสัตว์นั่นเอาเสือมาเล่นเอาเสือมาใช้วันนั้นนะมันสัตว์เอาซะามันตะคุบเอาซะมันกัดเอาซะแน่ไม่ว่ามันจะไม่กัดคุณคุณอยู่เหนือมันแน่ไหม ต้องเนือจริงๆต้องแน่จริงๆแล้วเอามาใช้นะต้องเอามาใช้ที่จริงแล้วกิเลสที่ว่านั้นนะมันก็เป็นสมมติสัจจะในโลกนี่นแหละสมมุตินั่นแหละว่าเอาเราไปมีอย่างนี้ไปเป็นอย่างนี้ไปอะไรอย่างนี้กับเขานั่นแหละแต่เราไม่ได้เป็นเราหรอกเราไม่ได้เสพไม่ได้สเสวยหรอกนี่มันซอ้อนเฉยมันไม่มีภาษาจะอธิบายเลยไมไว่วลาเรารึกซึ้งขึ้นมาแล้วไม่มีภ า, าภาษาจะอธิบาย แต่คนข้างนอกเขาดูเหมือนกับเราเนี่ยกลืนน้ําลายแล้วเนี่ยดูสิเนี่ยว่าไม่แล้วเนี่ยไม่ใส่รองเท้าได้แล้วไปเอาไปงเท้ามาใส่อย่างนี้ถือว่าตกต่ํานี่นี่สกุลเมืองบอกว่านี่เมื่อยไม่ได้เป็นโสดาบันกินมังสวิรัตได้แล้วก็ไปคืนไปกินเนื้อสัตว์อีกอย่างนี้ไม่ได้เวียนคืน อ, อย่างนี้ยังตกต่ํานี่เวียนลงไปสู่ต่ําก็จริงของเขาในภาษา ทีนี้เราย่อมรู้ตัวเราว่าเราเองเนี่ยเราจะทําอย่างไรเราจะทําเพื่อเขาหรือว่าเราเองแอบเสพนี่ตัวนี้เนี่ยความจริงอยู่ที่ตรงนี้สัดจับถ้าคุณแอบเสพคุณก็หลอกคนอื่นเข้าไปแอบเสพไปและเป็นยังไงอ่ะในเมื่อหลายจะหมดสักทีอ่ะคุณก็แอบเสพคุณไปอยู่งั้นน่ะก็เรื่องของคุณอ่ะคุณไม่ซื่อสัตย์สุดจริตไม่เอาจริงก็เรื่องของคุณความสวยของคุณแต่ใครไม่แอบเสพหลอกนะ จริงๆเลยเขาอนุโลมกับคนอื่นปฏิริสักะสลัดคืนอนุโลมต่อคนอื่ น, นอนุโลมปฏิโลมเพื่อผู้อื่นสรุปง่ายๆก็คือการสลัดคืนเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เรื่องเล่นและไม่ใช่ว่าจะมียานรู้ตัวเองได้ง่ายๆว่าเราหมดแล้วจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปประมาทว่าเออเราหมดแล้วสลัดคืนได้แล้วเอาเถอะเกลับไปเถอะเพื่อผู้อื่นแต่ที่แท้เราก็ยังไม่มียานรู้ว่าเราแอบเสพ กว่าจะรู้ก็โอ้โหแบบเพลียความเชือกหนังเนี่ยหมามันกินอยู่ใ้ทุนโมดนึกว่าเราได้ยาวแล้วนะเอาขึ้นมาดูอ้าวทําไมมันอยู่เท่าเก่าอ่ะทำไมแค่เนี้ยปรากฏว่าข้างหลังน่ะมันมีห ม, มาแอบเสบหมาอ้วนเลยหมาตัวนั้นอยู่ที่ใครกูเองหมาตัวนั้นอยู่ที่ใครกูเอง นั่นแหละต้องรู้ตัวเองต้องรู้ตัวเองต้องรู้ตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่จะสลัดคือ น, นี้เป็นสภาพที่ยกไว้ยกสมมุติให้แก่ผู้ที่อย่างเพราะว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านที่บอกว่ามีวินัยว่าไมจ่จะต้องพยายามนะพระอรหันต์บางรูปนี่ท่านเองท่านละเมิดสิกขาบทนั้น น, นี่อะไรของท่านเนี่ยต้องอย่าไปถือสาท่านต้องประกาศอันนี้อย่งยกสมมุติให้ท่านว่าจะไปเอาอาบัติท่านอะไรอย่างนี้เป็นต้น เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้เท่าทันเราไม่รู้ว่าท่านท่านเองต้องแน่ใจของท่านเมื่อท่านเป็นพระอาหารหันต์ท่านแน่ใจก็ท่านสวยกว็สวยของท่านเองอะ่ะอันนี้ต้องของตนเองถึงว่าญาณที่ละเอียดลึกซึ้งเนี่ยมันจะต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อตัวเองต้องแยบคายต้องศึกษาอย่าประมาทคําว่าประมาทเป็นคําเดียวอ๋นน อ, อใ ช, ใช่วินัยใหญ่ใหญ่ คุณจะเป็นละเมิดสังคาฏิเศษจะเป็นละเมิดอะไระไรต่างๆนานานี่พระอรหันต์ท่านไม่ทำหรอกอย่างสังคาฏิเศษว่าไปต้องกายหญิงจับต้องกายหญิงนี่นะไปจับต้องกายหญิงด้วยความกำหนัดมันต้องมีคาว่าความกำหนัดด้วยนะเพราะถ้าไม่มีความกำหนัดไปจับต้องกายหญิงก็ไม่ได้สังคาฏิเศษถ้าเป็นผู้ที่ยังไม่ยกไว้เป็นพระอรหันต์ไปจับไม่ยกเว้นเลย นายยกเว้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อสวดประกาศว่านี่พระอรหันเนี่ยอย่าไปเอาผิดท่านถ้าเราแน่ใจว่าท่านเป็นพระอรหันแล้วก็ต้องให้ท่านแล้วแต่ถ้าไม่ได้ยกเว้นให้เป็นพระอรหรันจับได้ยังไม่ได้สวดประกาศกันเป็นพระอรหรันจะบอกว่าเอยไปแต่ต้องกายยิง้งเราไม่มีกิเลสหรอกไม่สังคารดิเศษไม่ได้ต้องเอาสังขารดิเสษอย่างนี้เป็นต้น ต้องเอาใครจะไปรู้ใจใครมันนั่งหลอกลวงซ้อนไม่เอาเพราะฉะนั้นเดินตามวินัยเดินตามวินัยนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งนะเป็นเรื่องหลากหลายในะวันนี้ตั้งใจฟังก็จะได้รับความรู้พรุงนี้ซ้อนและทีนี้จากวันนี้ไปพรุ่งนี้มัรนนี้ก็จะได้ทบทวน คุณยังไม่รู้ไปอ่านทบทวนแล้วก็จําภาษาอาตมาอาจจะไม่อธิบายภาษายืนยืดยาดแต่เป็นภาษาไทยวนไปวนมาเอาภาษาเอาคํานั้นคํานี้ของภาษาไทยมาซ้อนบ้างเราถือว่าเราเป็นนักศึกษาขั้นเทคนิคแล้วจะต้องใช้เทคนิคเขเติมเป็นนักศึกษาในระดับขั้นเทคนิคแล้วจะต้องรู้ภาษาเทคนิคเพราะฉะนั้นจะใช้ภาษานี่เลยทับศัพท์อ้าวปัดซัมพยัญ อภิปโมทยังปัตสัมพยังอะไรโอ้มคยคงไม่ใช่ตัวนี้แล้วอภิปโมทยังนี่มันจิตตสังปัตสัมพยังนมันอยู่ที่ตัวหนึ่งตัวตังเราับจิตตสังขารังหรือว่าปัตสัมพยังกายสังขารังอ้าว ปัสัมพยังจิตสังขารังปฏดสัมพยังกายสังขารังเริ่มต้นเอาปัสัมพยังกายสังขารังทำความสงบประงับกายสังขารเราตั้งกายตรงดํารงสติคงมันหลังตรงคอตั้งตาอย่าตกแต่หลับซะอะไรเงี้ยพอต่อไปจิตสังขารังเอาปัสัมพยังจิตสังขารังหรือว่าเอ้าพโมทยังอภิปโมทยังมันหอมันเหี่ยวแล้วบางคนนี่มาถึงข้างนอกเลย มันจะเหี่ยวแต่เฉพาะจิตตสังข้ารังมันออกมาถึงกายสั่งข้ารังเลยออกมา <c oughs> อ้าวอ น, นี้ไม่ใช่ไม่ใช่กายห่อเหี่ยวอย่างเดียวแล้วอย่างนี้มาจากจิตแล้วอ้าวปัดซ้ำพยังอภิปโมโธยังอภิปโมโธยังขึ้นให้ชื่นขึ้นสดชื่นแข็งแรงขึ้นมาหน่อยสมาทังสมาทันหนุ่มขึ้นหน่อย ใช้สัพวกนี้เราจะเข้าใจขึ้นมาว่ามาใช้แทนอะไรนะทำให้สมาทั่งอภิปโมทยังให้ดีหรือแม้แต่จะสงบระงับจิตตสังขารต่างๆถึงขั้นจะสงบระงับสิ่งที่มันสงบระงับถึงขั้นสุขเราเตือนกันว่าระวังจิตสงบระงับโดยไปแล้วก็ไปติดสุขเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วใช่ไหมจะไปสงบยังไงเราสงบระงับอแล้วมีจำนวนเขา พูดด้วยว่ายังยินผู้ยินดีในความสงบนั้นย่อมเป็นผู้ที่ที่ดีแล้วจิตโน้มน้อมจิตยินดีในความสงบระ ง, งับนั่นนะ่ะมันก็ดีแล้วล่ะอย่างไรภาษาพอเวลามันใช้ในกาละแต่ละกาละเราต้องรู้ในกาละที่จะต้องสลัดคืนในกาละจะบอกว่าสลัดคืนก็ได้จิตสงบระ ง, งับนั่นนะ่ะแล้วเราก็สลัดคืนแล้วไม่สงบระ ง, งับนี่ก็เป็นปฏินิสค า, านุปัสสีอีกอย่างหนึ่งสงบระ ง, งับ เราเราทำจิตสงบเรครับได้แล้วแล้วเราก็จะไปติดไปแช่ไปหลงอย่างนั้นไม่ได้ต้องทําจิตปล่อยอยู่หรือสลัดคืนออกมามันจะคลายกันวิโมุตจะยังกับปฏินิสข า, านุปัสสปฏินิสข า, านุปัสสีสลัดคืนมันจะคล้ายกันมันปล่อยมันมีลักษณะมากหรือน้อยให้ชํานาญทํามากหรือทําน้อยแหลกๆเราอาจจะต้องทํามากหน่อยจัดๆหน่อยแล้วเนียนก็ไปเรื่อยๆสุขุมประนีตมัน ผู้ก็เป็นภาษาหยาบอธิบายเป็นรูปก็ดูเหมือนรูปหยาบหยาบแต่จริงๆเราลึกซึ้งเนียนในอย่างนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะไม่ไม่ได้พานั่งแต่ว่าอธิบายติดต่อเนื่องกันซะมันจะได้เข้าใจเพราะว่ามันยากนะมนใ น, ในระดับของจิตเจตสิกในระดับของปรมัติธรรมเพราะฉะนั้นตอนแรกมันกายเมื่อวานนี้พูดถึงกายเท่านั้นซึ่งกายก็มันก็พอแยกได้แต่พอถึงจิตเวทนาจิตถึงขั้นธรรมะในระดับจิต อย่างนี้มันจะยากนาก็ได้ตั้งใจอธิบายแล้วเรียบร้อยสําหรับวันนี้ไม่ได้นัง่งก็ไม่เป็นไรพวกนี้นั่งแล้วก็พูดถึงศัพท์พวกนี้ใครจะทบทวนแล้วก็ค่อยๆพูดทบทวนไปก็คงจะพอเราเรรู้เข้าใจกันได้ครับวันนี้พอกรับ <c oughs> Thank <sniffs> you.